คงเห็นสังสารวัตรชัดขึ้นนะนะผู้การประทับใจอายตนะพู้การลองทบทวนอายตนะอีกครั้งหนึ่งคําว่าอายตนะเนี่ยนะอ า, อายตนะที่สนใจนะครับคืออักขะของอายตนะ ท, ที่เอ่อที่กล่าวว่าความหมายของอายตนะคือสืบต่อซึ่งการซึ่งการนํามาและสืบต่อ ซึ่งการนำไปแมสืบต่อซึ่งการนำมาและสืบต่อซึ่งการนำไปด้วยกิจของตนของตนแม่ตรงนี้เขาทีแล้วเอกเทศหนึ่งย่อมนำมาซึ่งสาระทุกันยาวนานนะครับนั่นท่านบอกว่าความหมายของพาวุธนะคือก่อความเจริญและนำมาซึ่งสังสารทุกกิอที่ให้ยกมากล่าวเนี่ยนะ ทำให้เห็นว่าไอพ้พาสปอร์ตอันเดียวนี่เป็นอัจฉระอะไรพาสปอร์ตเนี่ยโดยสีเป็นรูปปาอัจฉระถ้าจับเป็นปคิดดูเราใช้ความคิดเท่าไหร่ในในกระดาษเล่มเดียวเล่มนั้นน่ะเนี่ยนะที่ที่สมมุติเรียกว่าพาสปอร์ตนั่นะน่ะเราใช้ความนึกความคิดใช้จิตวิญญาณไปเท่าไหร่ในการ ร, ารับหนังสือเล่มเดียวอะมันแหละก็อัตฉริยะนะเพราะฉะนั้น สีอันนั้นอารมณ์ันนั้นเนี่ยก่อให้เกิดจิตอย่างมากมายอ่าจิตเหล่านั้นเนี่ยบางท่านเกี่ยวข้องด้วยกุศลกรรมบุบางท่านเกี่ยวขอ้องด้วยอกุศลกรรมบุเนี่ยนะสีก็คือสีอันนั้นอารมณ์ก็อารมณ์อันนั้นเ น, เนี่ยเฉพาะเรื่องเดียวนะแล้วเรื่องอื่นอื่นอีกเราเคยคิดไหมว่าเออทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยกอ่อหรือว่านามาซึ่งสารทุกข์หมดเลย ทุกเครื่องเลยนะกระดาษเล่มเดียวดินสออันเดียวเอามายังนึกเลยเอ อ, อินสอดินสอเราไปไหนวะเ น, นี่ยหยิบไปหยิบมาเอ้ไม่เห็นว่านถามว่าเราใช้ความคิดใช้จิตไปกี่อย่างที่ในในการนึกถึงเรื่องนั้นเออดินสอก็ก่อให้เกิดความคิดอะนะเธอคิดเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามแต่ว่าดินสออันเดียวก็ก่อให้เกิดจิตได้เนี่ยนะสมุดอันเดียวก็ก่อให้เกิดจิตได้หนังสืออาจารย์เกตุดาเห็นหรือยัง ยังเนาะก่อให้เกิดจิตไปตั้งหลายดวงแล้วเนาะเนี่ยนะเพราะเสือเนี่ยเนี่ยนะเพราะทุกๆอารมณ์เนี่ยนะก่อให้เกิดความคิดหมดเลยเนี่นะเมื่อเขาก่อให้เกิดความคิดหรือก่อให้เกิดจิตวิญญาณได้เนี่ยนะก่อให้เกิดจิตเจตสิกได้สิ่งนั้นจึงเรียกว่า อายตนะเช่นตากับสีเนี่ยก่อให้เกิดความนึกคิดต่างๆเกิดจิตต่างๆอันนี้เรียกว่าเป็นอายตนะเพราะว่าอายตนะนี่อีกชื่อหนึ่งเรียกว่าเป็นที่ประชุมเนี่ยนะเป็นที่ประชุมของจิตและเจตสิกเนี่ยนะอาศัยตากับสีจิตเจตสิกเนี่ยพลั่งพลูไหลออกมาตั้งมากมายเนี่ยนะอันหนึ่งอารมณ์เนี่ยก่อให้เราคิดมากจริงๆเลยนะอันในาอารมณ์นั้นถ้าเราไม่ฝึกเจริญกุศลเนี่ยนะ ฝึกเจรกุศลเนี่ยทำอย่างไรสมาทานที่จะประพฤติในทุกๆอารมณ์ว่ากุศลจิตต้องเกิดโดยอาศัยอารมณ์นั้นให้ได้ถ้าเราฝึกอย่างนี้บ่อยๆๆจนกว่าเกือบทุกๆอารมณ์ที่เราได้รับรู้เนี่ยนะเมื่อนั้นอุปนิสัยแห่งบุญเราจึงจะเต็มที่แต่ถ้าหากว่าธรรมดาเราไม่สมาทานไม่อธิษฐานไม่ตั้งใจที่จะว่าอารมณ์นี้ต้องจิตต้องเป็นบุญนะถ้าไมตั้งใจไวอ้อย่างนี้เนี่ยรับรอง ปีทั้งปีเลยเป็นอกุศนหมดเลยเนไังนันะ้นการสมาทานนั้นมีความสําคัญมากการอธิษฐานการสมาทานที่กล่าวเช่นนี้เนี่ยเมื่อกี้นั่งสนทนากับผู้การว่าคิดดูนะว่าแรงอธิษฐานเนี่ยสุเมศบัณฑิตเนี่ยนะท่านสมาทานอาธิษฐานบารมีของท่านเนี่ยนะสมาทานในการสร้างบารมีเนี่ยไอความตั้งใจของท่านเนี่ยนะเราตั้งใจธรรมดานี่ก็นับว่ารุนแรงแล้ว ท่านตั้งใจหรือสมาทานถึงกับแผ่นดินไหวอะ่ะพอท่านสมาทานบา ร, รมีทั้งสามสิบทัพเสร็จแน่ น, นะแผ่นดินเนี่ยไหวเลยนะเพราะท่านตั้งใจทําอย่างแรงกล้า ม, มากอ่าเพราะความตั้งใจอันนั้นแหละทําให้ท่านทําได้ไม่เลิกไม่ราเนี่ยนะอ่าหลายๆท่านที่มีความตั้งใจไอความตั้งใจอันนั้นแหละเรียกว่าอธิษฐานหรือสมาทานอันสิ่งเหล่านี้ตั้งได้ไหมพ อ, องศ์บอกว่าจิตนะถ้าตั้งไว้ผิด มีโทษยิ่งกว่าแม่ไ อ, อ้มีโทษยิ่งกว่าโจรเจอะโจกเจอโจโจจกเขาว่ากัน้นแต่ถ้าตั้งไว้ถูกมีอุปการะยิ่งกว่าบิดายิ่งกว่าพ่อเ พ, พราะฉะะพรองค์จึงสอนจักสีเนี่ยนะซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อการเจริญกุศลก็คืออัตตะสัมมาปณิธิเนี่ยนะแล้วอัตตะสัมมาปณิทิเป็นมงคลด้วยนะเป็นมงคลหนึ่งในสามสิบแปดเนี่ยนะ สมาทานเลยว่าศรัทธาที่ยังไม่มีจะทำให้มีขึ้นนะตั้งใจเสนที่ยังไม่ปรารบจะปรารบขึ้นเนี่ยนะกุศลจิตอย่างอื่นๆสมถะเนี่ยนะพุทานุสติตที่ยังไม่เจริญตั้งใจจะเจริญให้ได้ธรมานุสติตที่ยังไม่เจริญก็ตั้งใจจะเจริญสมาทานเพื่อจะเจริญกุศลธรรม น, นั้นๆเนี่ยนะถ้าเราตรัต้งใจไว้ค่อนข้างสูงเนี่ยนะสมาทานไว้แบบนั้นนานๆเข้าเราจะเจริญได้เนี่ยนะ ส่วนที่เจริญไม่ได้ก็คืออะไรรู้ไหมเราคิดตั้งกับต้นเราคงเจริญไม่ได้พอเราคิดว่าเจริญไม่ได้ก็เลยไม่คิดจะเจริญเลยไม่ใช่ว่าคุณภาพหรือความสามารถเราไม่พอแต่ว่าเราตั้งจิตไว้ผิดเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าคนมีทรัพย์ระดับหนึ่งนะสมมติว่ามีสตังร้อยหนึ่งเนี่ยนะในร้อยหนึ่งเนี่ยเขาสามารถจัดซื้ออะไรก็ได้ในวงเงินประมาณร้อยหนึ่งเนี่ยนะ แล้วแต่เขาตั้งใจว่าเขาจะเอาไอ้ทุนที่มีอยู่ไปซื้ออะไรพวกเราทั้งหลายเนี่ยเกิดมาเนี่ยนะด้วยผลของบุญเนี่ยนะมหาวิบากนี่ไม่ธรรมดานะถ้าจะนับไปแล้วเนี่ยนะที่จะเกิดเป็นมนุษย์ได้เนี่ยมหาวิบากพื้นฐานผวังเดิมเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาทีนี้เราจะน้อมผวังเดิมให้ไปคิดอะไรเพราะความคิดในมโนวิญญาณจะเกิดขึ้นได้อาศัยมโนกับธรรมะมโนวิญญาณจะเกิดขึ้นนะเราจะน้อมผวังเดิมซึ่งเป็น พวังนี้เป็นชาติวิบากเราจะน้อมไปคิดเรื่องอะไรล่ะเนี่ยนะเพราพื้นฐานตรงนั้นถ้าสมาทานเช่นถึงไตรสรณคมเนี่ยเกิดจากการสมาทานนะเกิดจากการตั้งใจเนี่ยนะถ้าหากว่าบุคคลตั้งใจอย่างดียกตัวอย่างว่าอัตตะสันนิยตนะการมอบกายถวายตนแด่พระรตนะไตรเนี่ยนะการมอบกายถวายตนอธิษฐานใจได้ว่า ใจของเราจะตั้งมั่นอยู่กับพระพุทธคุณใจเราจะตั้งมั่นอยู่กับพระธรรมคุณใจของเราจะตั้งมั่นอยู่กับภาษาคงะคุณเนี่ยนะหรือตั้งมั่นอยู่กับศิกขาเป็นต้นถ้าเราตั้งใจได้แบบนั้นบ่อยๆกุศลจิตเราก็เกิดได้บ่อยๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคุณมณโชติสดีของเขาก็ใช้ดีเหมือนกันนะค้าบอกว่าเสียมไม่คงมดามหนั ก, นกๆเข้า กขาบอกไงเขาผมหัวจำไม่ค่อยดีเอาผมท่องเอา อ, อ่ะวขามาเนเออใช้ได้เจ้าเนีอบอกว่าถ้าคนมีความเพียรเนี่ยนะไม่มีใครที่จะทาลายความตั้งใจนั้นเข้าได้ขอให้เขามีใจเถอะทันมิจฉาทิฏฐิก็ดิ่งเหมือนกันนะคนก็แก้ไขไม่ได้สำมาทิฏฐิก็ดิ่งเหมือนกันเป็นสัมมัตตะแต่ไม่ใช่อ่เป็นสัมมัต ต, น, มมตนิยตาธรรมมาเนี่ย ไม่ใช่มิชตะเป็นฝ่ายชอ บ, ชอบไม่ใช่ฝ่ายผิดมิชาทิฏเนี่ยดิ่งแต่เป็นฝ่ายผิดสัมมาทิิเนี่ยดิ่งเหมือนกันแต่เป็นสายถูกป้องเนี่ยนะเป็นผู้อยู่ชิดประตูพระนิพพานถ้าอย่างพระโสราบันเนี่ยใครก็เปลี่ยนแปลงความคิดท่านไม่ได้เปลี่ยนแปลงความคิดให้ท่านเลิกนับถือผู้าศาสนาเธอะเลิกนับถือพระพุทธเจ้าเธอเลิกนับถือพระสง์พระธรรมเธอเลิกนับถือพระสงฆ์เธอเนี่ยนะท่านเปลี่ยนไม่ได้ความคิดอันนั้นของท่าน เพราะใจของท่านเนี่ยเป็นศรัทธาที่มั่นคงไม่หวั่นไหวอันนั้นก็เกิดจากสัมมาทิฏฐิเหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วก็เปลี่ยนแปลง ย, ย, ย, ยากเหมือนกันเนี่ยนะเมื่อวานที่ผู้การเอาเรื่องของพระอนุรุทธะกล่าวถึงมหาปริวิตกเนี่ยนะมหาปริสวิตกแปประการเนี่ยนะซึ่ง เป็นพระสูตรที่ท น, น่าสนใจมาก น, นะแล้วก็อาศัยจากพระสูตรนี้ทำให้เห็นว่าชีวิตของผู้ที่เจริญฌานนกุศลนี้เป็นอย่างไรซึ่งใ น, ในช่วงนีเ้เราเรียนเรื่องพรหมวิหารอยู่ใช่ไหมอ่าพรหมวิหารนี้เฉพาะเมตตาตอนนี้เราก็เรียนถึงเรื่องฌานจิตแต่ว่าบริขารบริวารของฌานจิตเนี่ยนะเราอ่อนนั้นเมื่อบริขารบริวารของฌานจิตอ่อนการเจริญฌานนี่ก็จะยากมากเนี่ยนะ ก็จะยากเพราะฉะนั้นผู้ที่เจริญฌานเนี่ยเขารู้บริวารรู้ปัจจัยแวดล้อมของฌานาจิตเป็นอย่างดีเนี่ยนะเาั้นฌานาจิตนี้สิ่งที่ที่ทําอันตรายก็คือพวกปริโภทททั้งหลายแลเนี่ยนะเจริญฌานเนี่ยนะถ้ายังมีคันทะปริโภทยาติปริโภทเนี่ยนะอาวาตปริพเทเป็นต้นเนี่ยถ้ามีพวกปริโภททั้งสิอย่างแล้วอย่างไรเสียฌานก็อยู่ไม่ได้ เพราะฉะนั้นพระราชาสมัยก่อนเนี่ยนะถ้าได้ชานแล้วไม่อยู่ครองบ้านครองเรือนละเนี่ยนะออกบวชหมดว่า ง, งั้นเถอะถ้าได้ชานจริงๆเนี่ยนะเพราะว่าการบริหารทรัพย์แบบพระราชาเนี่ยนะที่สุดแห่งพบหน้าของเขาคืออะไรที่สุดของพบหน้าคือสุขติโลกสวรรค์นะถ้าเป็นปกครองอย่างดีเลยนะเป็นพระราชาที่ตั้งมั่นอยู่ในธรรมเนี่ยนะชั้นดาวดึงบงั้งยามาบ้างหรือชั้นจารุมงังอะไรบ้างก็อยู่เท่านี้ละ แต่ถ้าหากว่าผู้ที่เจริญฌานจิตเนี่ยอยู่ในระดับพรหมโลกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพรหมเนี่ยถ้ามาหาเทวดานะเทวดามองไม่เห็นนะถ้าพรหมไม่อธิษฐานเนรมิต ร, ร่างกายให้หยาบเนี่ยนะสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยมองไม่เห็นพรหมเนี่ยนะถ้าหากว่าพรหมไม่เนรมิตตัวให้หยาบเพราะฉะนั้นเอ่อผู้ที่เห็นคุณค่าของฌานจิตเนี่ยนะว่าฌานจิตนี้สามารถอย่างเข้าถึงรูปประพบได้ บางท่านก็บอกโอ้ยชาญมันเป็นโลคีอย่างนั้นไม่พ้นจากทุกข์ ก, กับว่าบางคนคนที่พูดลักษณะนี้นี่เรารู้เลยว่าทําไมเป็นอย่างนั้นนะเพราะเขาไม่ไ ม, ไม่ไม่ทราบซึ้งในในในคุณธรรมอันนั้นที่จริงเนี่ยชาญเนี่ยนะหนึ่งในจารณะสิบห้าหนึ่งจารณนะหนึ่งในจารณะสิบห้าเห็นไหมเพราะชาญมีสี่นะ จารณะมี15บาชาหี่หนึ่งสอาสเนี่ยจารณะตั้งสี่ข้อซึ่งชาห์นั้นที่จะมีคุณภาพมากก็ต้องนับตั้งแต่จารณะข้อที่หนึ่งเป็นต้นเมื่อจารณะเนี่ยครบทั้ง15ข้อจารณะเนี่ยก็คือความเที่ยวไปเนี่ยนะเที่ยวไปในทิศที่ไม่เคยไปทิศไหนทิศคือพนิพานที่ไม่เคยไปเนี่ยนะะถ้าครบบริบูรณ์ทั้งหมดก็สามารถยั่งถึงพนิพานได้ ข้อความในอนุรุทธสูตรเนี่ยนะอังคุตรนิกายอัฏกาศนิบาตข้อ120กล่าวว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะป่าเพสกลานิกทัยวันแขวนเมืองสุงสุมาระคิระแขวนพระคชนบทก็โดยสมัยนั้นท่านพระอนุรุทธอยู่ที่วิหารป่าจีนะ วังสทายวันแคว้นเจดีเอ้แคว้น JD. เจดีก็มีด้วยนะยนะครั้งนั้นท่านพระอนุรธทธะหลีกออกเรนอยู่ในที่ลับเนีย่ยนะก็คือไปอยู่ในที่เงียบเงียบที่ลับเนีย่ยนะเกิดความปริวิตตกทางใจปริเนี่ยแปลว่ารอบวิตกเนี่ยแปลว่าตรึกเหมือนกันคนระวิตตกธรรมดานี่ไม่ใช่นะอันนี้วิตตกโดยรอบเลยนะตรึกรอบเลยนะเรียกว่าคิดอย่างรอบคอบเหมือนกันนะ้ะ คิดมากอนะ่ะท่านเกิดปริวิตกอย่างนี้ว่าธรรมนี้ธรรมคืออะไรธรรมนี้ธรรมนี้คือโลกุตระธรรมนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีความปรารถนาเป็นของบุคคลผู้มีความปรารถนาน้อยเนี่ยนะข้อที่หนึ่งเนี่ยนะมิใช่เป็นของบุคคลผู้มีความปรารถนามากเนี่ยนะข้อแรกเลย คือเป็นคนมากน้อยว่า ง, งั้นแทะข้อสองบอกว่าธรรมนี้คือโลกุตระธรรมนี่นะเป็นของบุคคลผู้สันโดษมิใช่เป็นของบุคคลผู้ไม่สันโดษข้อสามบอกว่าธรรมนี้เป็นของบุคคลผู้สงัดมิใช่เป็นบุคของบุคคลผู้ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะ ข้อบอกว่าธรรมนี้ของบุคคลผู้ปรารบความเพียรมิใช่ของบุคคลผู้เกียจคร้านข้อ5บอกว่าธรรมนี้ของบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นมิใช่ของบุคคลผู้มีสติหลงลืมข้อเข้อ6บอกว่าธรรมนี้เป็นของบุคคลผู้มีจิตมั่นคงมิใช่ของบุคคลผู้มีจิตไม่มั่นคง แล้ข้อเจ็ดบอกว่าของบุคคลผู้มีปัญญามิใช่ของบุคคลผู้มีปัญญาสามนะไม่ใช่ของคนโง่เขลาว่างั้นแท้เห็นไหมท่านคิดได้เจดข้อคิดได้เจข้อก็ข้อที่8ดนึกไม่ออกนะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความปริวิตตกทางใจของท่านพระอนุรุทธะแล้วสเสด็จจากเพศกรามิกระทายวันแขวงสุงสุมาลคิระแขวงพระคชนบท ไปปรากฏเฉพาะหน้าท่านพระอนุรัตที่วิหารปาจีนะวังสทายวันเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกําลังเหยียดแขนที่คูหรือคู้แขนที่เหยียดฉะนั้นเออคิดธรรมะอยู่พระพุทธเจ้ามาปรากฏเลยเนาะโอ้ท่านมีบุญมากนะขนาดกาลังปฏิบัติธรรมอยู่ยังมีคนมาส่งเสริมมาสนับสนุนเนี่ยนะมาบอกเออต่อต่ออีกนะแสดงว่าท่านเป็นคนมีบุญมากเพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว้ถวายคือสมัยก่อนเนี่ยมีปกติอยู่ว่าพระรูปใดรูปหนึ่งเนี่ยนะอยู่ที่ไหนก็ตามจะเดินจงกรมจะนั่งกรรมฐ า, านจะนั่งสนทนาธรรมต้องตั้งอาสนะไว้ให้พระองค์ก่อนพระองค์จะมาหรือไม่มาก็เรื่องของพระองค์ไปแต่ว่าจะต้องตั้งก่อนเนี่ยนะเสร็จแล้วพอพระองค์นี้ไปเร็วมาเร็วว่างเง น, นไปอำนาจทางใจเนี่ยนะก็คือคิดแวบเนี่ยก็เปลี่ยนที่ที่นั่งได้แล้วเนี่ยนะเปลี่ยนที่นั่งได้แป๊บเดียวชั่ว ว่าท่านใช้คำว่าคูแขน่เนี่ยที่จริงกับกระพริบตานี่ยแว บ, บเดียวเท่านัาน้นแหล ะ, <c oughs> ะ <c oughs> พระผู้มีพระภาคเจ้านั่งแล้วนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งคือพระนรุตทะเนี่ยถวายบังคม <c oughs> พระผู้มีพระภาคแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับท่านพระนุตทะว่า <c oughs> สาธุสาธุด <g ri> ีแล้วดีแล้วเนี่ยนะดีแล้วก็คือสาธุนั่นเองอนรุตทะถูกละ ที่เธอตรึกมหาปุริษาวิตกว่าธรรมนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีความปรารถนาน้อยนีใช่ของบุคคลผู้มีความปรารถนามากธรรมนี้เป็นของผู้สันโดษมิใช่เป็นของผู้ไม่สันโดษเป็นของผู้สงัดมิใช่ของบุคคลผู้ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมูนะ่คณะ ธรรมนี้เป็นของบุคคลผู้ปรารกความเพียรมิใช่ของบุคคลผู้เกียจคร้านของบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นมิใช่ของบุคคลผู้มีสติหลงลืมของบุคคลผู้มีจิตมั่นคงมิใช่ของบุคคลผู้มีจิตไม่มั่นคงของบุคคลผู้มีปัญญามิใช่ของบุคคลผู้มีปัญญาสามดูก่อนอนุรุธถ้าอย่างนั้นเธอจงตรึกมหาปุริสาวิตกข้อที่แดนี้ว่า นะนะมาช่วยต่อความคิดให้ธรรมนี้ของบุคคลผู้ชอบใจในธรรมะที่ไม่ทำให้เนิ่นช้ายินดีในธรรมะที่ไม่ทำความเนิ่นช้าเนี่ยนะนะเคยได้ยินนะกำลังของพระอรหันต์มีอยู่แปดอย่างนะกำลังของพระอรหันต์ข้อหนึ่งเลยนะท่านสามารถพิจารณาวัดหนึ่งสังขารไม่เที่ยงเนี่ยเป็นกำลังอย่างหนึ่งของท่านสามารถพิจารณาเห็นสังขารทั้งหมดโดยความเป็นของไม่เที่ยงข้อหนึ่ง ข้อสองก็บอกว่าท่านมีใจยินดีในพระนิพพานนี่นะใจของท่านน้อมไปในนิพพานเหมือนกันแล้วข้อต่อไปก็คือเกี่ยวกับเรื่องอินทรีย์เนี่ยนะท่านสามารถเจริญใจของท่านตั้งมั่นในสติปัฏฐานในอินทรีย์ห้าในพระหในโพชฌงเจ็ในอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปนี่นะเพราะฉะนั้นไอ้พระพระรหันเนี่ยท่านท่านยินน้อมใจของท่านน้อมไปนิพพานได้ง่ายมากเหมือนกันเนี่ยชัน้นต้นเลยพิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยง่ายมาก นะเพราะว่าท่านเป็นผู้ผู้มีธรรมะที่ใขค่ครวนหมดแล้วไม่มีธรรมะใดที่พระอรหันต์ไม่ไม่ครวนแต่ว่าต้องตามภูมิปัญญาของท่านนะนะท่านท่านพิจารณาโดยรอบหมดแล้วท่านจึงเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะปริญญาสามเนี่ยบริบูรณ์แล้วเพราะาอารมณ์ของปัญญาก็คืออุปาทานขันท้านั่นเอง เพราะนั้นอุปาทานขันห้าไม่มีอุปาทานขันใดขันหนึ่งที่ท่านไม่พิจารณาโดยปริญญาสามเพราะฉะนั้นทุกๆอารมณ์เนี่ยสงเคราะห์ลงปริญญาสามได้อย่างบริบูรณ์แล้วชนานาญมากว่านั้นแค่มองวบก็เห็นและวเรียกว่าเข้าใจเรื่องนั้นอย่างตลอดสายอทฤษฎีของเราก็คือมองเห็นตัวหนังสืออ่านออกเลยของท่านเห็นรูปสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งท่านก็ต่อได้สบายสบายแล้วท่านน้อมไปในอมะตะธาตุหรือน้อมไปใน พรนิพพานเนี่ยนะคือท่านน้อมไปได้อย่างรวดเร็วมากเพราะท่านเห็นสังขารโดยความไม่เที่ยงปั๊บท่านก็สามารถทําที่สุดได้ใช่ไหมถ้าหากว่าผู้ที่ได้ฟังเรื่องอาทินวายานหรือนิพพิทายานเนี่ยนะอันนี้เป็นสังขารเนี่ยนะนี้เป็นนิพพานนะนี้เป็นอะไรนีอันนี้เป็นอามิตรนี้เป็นนิรามิดนี้ สุขนี้ทุกเนี่ยท่านแยกแยะได้อย่างละเอียบละ อ, อว์เาใจของท่านน้อมไปในธรรมะที่สงบปานิชธรมมะที่เป็นของผู้ชอบใจในธรรมะที่ไม่เนื่นช้าเนี่ยธรรมะนี้หมายถึงพันนิพานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพันนิพานนี่ไม่ทําให้เนื่นช้าคืออารมณ์อย่างอื่นๆเนี่ยนะโลกิยะธรรมทั้งหมดเป็นอารมณ์ของความเนื่นช้าได้หมดเลยใช่ไหม กรมาธาตรูปธาตุอรมูปธาตุเป็นอารมณ์ของตัณหามาณะและทิฏฐิธรรมะที่เป็นเหตุเนิ่นช้าก็คือมี3อย่างนะหนตัณหามาณะและทิฏฐิบาลีเรียกว่าปะปันจะทำธรรมะเป็นเครื่องเนิ่นชา้าเป็นชื่อของตัณหามาณะและทิฏฐิเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอารมณ์ใดๆที่เป็นอารมณ์ของตัณหามนาณะทิฏฐิอันนี้เรียกว่าธรรมะที่ทําให้เนิ่นชา้าพันก็ยินดีในที่สุดแห่ง ธรรมะที่เนิ่นช้าคือพระนิพานนึกไม่ถูกแล้วมันเป็นยังไงเพราะอะไรเพราะเราไม่นึกเรื่องสังขารเลยไปนึกถึงอเออถาดนั้นเป็นยังไงนะใครที่จินตนาการนิพานถูกคนนั้นเป็นพระโสดาบันนะเพราะฉะนั้นเราจะไปคิดปัญหาบางอย่างที่เลยวิสัยพยายามเห็นสังขารให้มากๆเนี่ย น, นะทําปริญญาสามในสังขารให้มากๆแต่เอสภาว่านั้นเป็นยังไงนะอันนี้สุดวิสัยแล้วละ่ะ ทงตรัสว่าดูก่อนอนุรุธะในการใดแลเธอจักตรึกมหาปุริสวิตก8ประการนี้ในการนั้นเธอจักกวังได้ทีเดียวว่าจักสงัดจาักกรมสงังจากอากุโสลธรรมบรรลุปถมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เนี่ยนะถ้า3นะถ้ามหาปุริสวิตกชํานานขนาดนี้เนี่ยนะฌานที่หนึ่งไม่ยากเหมือนกันแท้ ในการดายแล เ, เธอจักตรึกมหาปุริสวิตก8ประการนี้ในการนั้นเธอจักหวังได้ทีเดียวว่าจักบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกวิจาร์เพราะวิตกวิจารสงบไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่เนี่ยนะถ้าหากว่ามหาปุริสวิตกทั้งแปประการบริบูรณ์เนี่ยฌานที่สองไม่ใช่ของอยากเหมือนกัน ในการดแลเธอจากตรึกมหาปริสวิตกแปดประการนี้ในการนั้นเธอจักหวังได้ทีเดียวว่าจากมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปนะตะติยะฌานก็ไม่ยากถ้ามีมหาปริสวิตตกแปดประการบรรลุตัติยะฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุอเบกขามีสติอยู่เป็นสุข ในการดายเรเธอจักตรึกมหาปริสวิตก8ประการนี้ในการนั้นเธอจักหวังได้ทีเดียวจักบรรลุจตุทชฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัติโทมณัตก่อ น, ก, อนก่อนได้มีอุเบขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เห็นไหมถ้าได้มหาปริศวิตก8อย่างนี้แล้วโอ้ชาดสีไม่ใช่ของของอยากใช่ไหม ในการดายลเธอจากตรึกมหาปุริสวิตตก8ประการนี้และจกเป็นผู้มีปกติได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งฌานสี่อันมีในจิตยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันในการนั้นผ้าบางสกุลจีวรนจากปรากฏแก่เธอผู้สันโดษอยู่ด้วยความยินดีด้วยความไม่หวาเสียวด้วยความอยู่เป็นสุข ด้วยการก้าวลงสู่พระนิพพานเปรียบเหมือนหีบใส่ผ้าของเครือหาบดีหรือบุตรแห่งเครือาบดีอันเต็มไปด้วยผ้าสีต่างๆเะนั้นเห็นนะก็บอกว่าถ้าหากว่าถ้าได้มหาปริษสวิตกสแล้วนะเออมหาปริศสวิตก8ชฌานสเนี่ยถ้าได้คุณธรรมเหล่านี้แล้วนะเห็นผ้าบางสกุลเนี่ยนะผ้าที่เก็บมาจากตามที่ต่างๆแล้วเอามานุ่งห่มใช้สอยเนี่ยนะ เหมือนผ้าในหีบของมหาเศรษฐีเหมือนนเน่ยผ้าในหีบของมหาเศรษฐีน่ายินดีน่าพอใจน่าใช้แต่ท่านมีคุณธรรมเหล่านี้แล้วเนี่ยนะโอ้สบายมากเห็นผ้ายังไงก็ไม่เป็นไรใช่ไหมดูก่อนอนุรุธะในการใดแลเธอจักตรึกมหาปริสวิตตก8ประการนี้และจักเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาะโดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งฌานสี่ประการนี้และจักเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาะได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งฌานสี่นี้ อันมีในจิตยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันในการนั้นโพชนะคือคำข้าวที่ได้มาด้วยปลีแข่งจักปรากฏแก่เธอผู้สันโดษนี่นะอยู่ด้วยความยินดีด้วยความไม่หวาดเสียวอยู่ด้วยความอยู่เป็นสุขด้วยการก้าวลงสู่นิพพานนี่นะก็บอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยนะเปรียบเหมือนข้าวสุก เขบอกว่ า, วาแห่งข้าวสาลีเนี่ยอันคัดเอาไอ้ที่ดำๆออกแล้วเนี่ยมีแกงและกับลลาอย่างของเครือหาบดีและบุตรแห่งเครือหาบดีฉนั้นนะโพชนาที่ไปบินธบาตมาระคนปนกันอยู่ในบาทเนี่ยนะเหมือนกับอาหารอย่างดีของเศรษฐีเลยงนั้ น, นถ้าได้ชได้มหาปุริสวิตกแปรประการกับชาญสีนะแล้วก็อาหารทุกอย่างนี้โอ้ดีหมดเลย ดูก่อนอนุรัติในการใดแลเธอจากตรึกมหาปริศสวิตก8ประการนี้และจากเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งฌานสีนี้อันมีในจิตยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันในการนั้นเสนาสะนะคือโคนไม้จากปรากฏแก่เธอผู้สันโดษอยู่ด้วยความยินดีอยู่ด้วยความไม่หวาดเสียวด้วยความอยู่เป็นสุขด้วยการก้าวลงสู่นิพพานเปรียบเหมือนเรือนยอดของเครือาบดีหรือบุตร ของครือาบดีชาบทาไว้ดีแล้วปราศจากลมว่า ง, งั้นเถอะถ้าหากว่าได้มหาปริสวิตตกแปดได้ชานสี่โคนไม้เนี่ยก็เหมือนกับปราศาสตร์ชั้นหนึ่งเลยนะในการใดแหลเธอจากตรึกมหาปริสวิตตก8ปดประการนี้และจักเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งชานสี่นี้เนี่ยนะอันมีในจิตยิ่ง เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันในการนั้นที่นอนที่นั่งอันลาดด้วยหญ้าจากปรากฏแก่เธอผู้สันโดษอยู่ด้วยความยินดีด้วยความไม่หว่าเสียวด้วยความอยู่เป็นสุขด้วยการก้าวลงสู่นิพนเปรียบเหมือนบัลลังก์ของเครือบดีหรือบุตรของเครหอบดีอันลาดด้วยผ้าโกเชลขนยาวลาดด้วยขนแกะสีขาลาดด้วยผ้าสันฐานเป็นช่อดอกไม้ มีเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมดมีเครื่องลาดเพดานแดงมีหมอนข้างสีแดงเนี่ยนะสองข้างฉะนั้นบอกว่าถ้าหากว่าได้มหาปริสวิตกแปดได้ชานสี่แล้วแหมเอาย่ามาปูปูเอาผ้ามาปูทับเนี่ยโอ้เหมือนกับบัลลังก์ของมหาเศรษฐีเลยนั้นเนี่ยสบายมากดูก่อนอนุรุธะ ในการใดายแลเธอจกตรึกมหาปุริสวิตก8ประการและจะเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งฌานสี่นี้อันมีในจิตยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันในการนั้นยาดองด้วยน้ำมูดเน่าจากปรากฏแก่เธอผู้สันโดษอยู่ด้วยความยินดีด้วยความไม่หวาดเสียวอยู่ด้วยความอยู่เป็นสุขด้วยการก้าวลงสู่นิพนันธ์ เปรียบเหมือนเภสัชต่างๆคือเนยใสยเนยข้นน้ํามันน้ําพึ่งน้ําอ้อยของเครืหาบดีหรือบุตรของเครืหาบดีฉะนั้นนะถ้าหากว่าได้ธรรมะเหล่านี้แล้วเนี่ยนะฉันยา ท, ที่ที่ทำมาจากปัสวะเนี่ยนะโอ้เหมือนกับฉันน้ําพึ่งเลยืองงั้นเนี่ยแต่ก็ต้องมีคุณธรรมอย่างนั้นเข้ามานะทำไมมีคุณธรรมเหล่านั้นขึ้นมาก็กล่ำเกลื่นฝืนใจหน้าดูเลยนะนะใครเคยทานน้ําปัสวะมั่งเขามีการยกย่องอยู่พักหนึ่งกันนะ แต่ที่จริงแล้วในในพระไตรปิฎกของเราเนี่ยกล่าวไว้นานแล้วนะยาดองที่ยาที่ดองด้วยน้ํามูดเนี่ยนะด้วยน้ำปัสสาวะเนี่ยเป็นยารักษาโรคได้ส่วนหนึ่งแต่ก็ต้องรู้หลักหน่อย <c oughs> อเสร็จแล้วพระองค์ก็สอนผ่านนุรุท ธ, ธะอย่างนี้เนี่ยนะด้วยมหาอาริยวงสี่ประการเนี่ยนะคือสันโดษในปัจจัยสี่เสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสนะพระองค์พิจารณาถึงสถานที่ เป็นที่สปายะว่าเอ๊ะที่ไหนเนาะเป็นที่สปายะสำหรับท่านพระองค์ตรัสว่าดูก่อนอนุรุธะถ้าอย่างนั้นเธอพึงอยู่จาพรรษาที่วิหารปาจีนะวังสถายวันแคว้นเจดีนี่แหละต่อไปอีกเธอเนี่ยพระองค์ได้ตรวจดูที่ที่สปายะแล้วที่ตรงนี้สปายะแกเธอที่สุดแล้วเหอนอยู่ที่นี่ต่อไปนะให้จำพรรษาที่นี่ด้วย ท่านพระ อ, อนุรุท ธ, ธทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนท่านพระ อ, อนุรุทธด้วยพระโอวาทนี้แล้วสเสด็จจากวิหารปาจีนะวังสทายวันแขวนเจดีนครไปปรากฏที่เพศกลามมิขทายวันแขวงเมืองสงอุสุงสุมารกิระแวะขวนพระค์เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกําลังเหยียดแขนที่คู้หรือคู้แขนที่เหยียดฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งบนอาสนะที่จัดไว้ถวายแล้วครั้นแล้วตรัสเรียกพิสูจนทั้งหลายมาว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราจัดแสดงมหาปุริสวิตก8ประการแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังมหาปุริสวิตก8ประการนี้ว่ากันแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็มหาปุริสวิตก8ประการเป็นไงนะนะซึ่งอตอนหลังเนี่ยพระองค์มาขยายให้อีกครั้งหนึ่ง แต่ว่าในในที่พระองค์ตรัสกับพระอนุรุท ธ, ธานั้นแสดงโดยย่อซึ่งเรามาทำความเข้าใจของอคำว่ามหาปุริสวิตตกทั้ง8ประการนี้หน่อยเนี่ยน ะ, ะเรื่องราวของท่านพระอนุรุทธเนี่ยท่านนี้บวชพร้อมกับท่านเนี่ยนะบวชกับกลุ่มพระ อ, อ น, นุ์พระ อ, อ น, นุ์พระกิมพิระพระนันทิยะพระเทวทัตเนี่ยนะอุบาลี พระอุบาลีเทระที่เป็นช่างกระบกท่านบวชในในรุ่นนั้นแหละทีนี้ท่านบวชแล้วก็ได้สมาบัติภายในพรรษาก่อนเพื่อนอบวชไม่นานได้ชาญเลยในสมาบัดแปดอย่างคล่องแคล่วทำให้เกิดทิพะจักสุขที่สามารถได้เห็นพันโลกธาตุได้ก็บอกว่าโลกธาตุพันหนึ่งเนี่ยนะท่านมองเห็นเหมือนมะขามปั้มอยู่บนฝ่ามือ มะขามพ้อมเป็นลูกกลมๆใสๆใช่ไหมถ้าวางไว้บนฝ่ามือก็เหมือนกับเอาเมตตามแมวมาวางไว้บนฝ่ามือนั่นแหละมองเห็นได้อย่างชัดเจนเหมือนกันคืออดีตชาติเนี่ยท่านเป็นพระอินอยูหลายชาติเนี่ยนะพระอินนี้เป็นผู้ที่ตรวจอะไรได้ว่องไวอ ย, อย่างแวบเดียดนี้ก็มีความรู้ความสามารถอย่างเจนจัดเพราะฉะนั้นถ้าอ่านในพระไตรปิฎกหรือในชาดกที่ไหนนะเจอว่าพระอินมาช่วยพระโพธิสัตว์นะพระอินทนั้นก็คือ พระอนุรุทธะนั่นแหละไม่ต้องนึกว่าเป็นใครหรอกพระโพธิสัตว์ที่พระอินช่วยเหลือก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละอันเกี่ยวข้องกันมาหลายชาติด้วยกันเนี่ยน ะ, ะเป็นเท้าสักกะเนี่ยนะทา้ากสกะมามาเห็นพระโพธิสัตว์เดือดร้อนก็อมาช่วยน ะ, ะหรือในพระเวสสันดรชาดกเนี่ยนะทา้ากสกะที่มาให้พรพระเวสสันดรก็คือพระอนุรุทธะนั่นแหละเทา้าสกะที่ให้พรพระนางพุทธดีก็ ผานุรุ ธ, ธาเนะี่ยแล้วก็อีกหลายเรื่องเนะี่ยท้าสก่ะ ท, กกที่มาขอดวงตาของพระเจ้าศรีวิราชก็ผานุรุ ธ, ธาอีกนะนะั่นแหละทีนี้ความที่ท่านสะสมบุญหรือตั้งความปรารถนาเรื่องตาทิพมาเนี่ยก็บอกว่าทีแรกเลยท่านทําบุญเจ็วันใหญ่ๆแล้วท่านนี้เป็นผู้ที่ยินดีในการถวายพวกโคมไฟเนี่ยนะชอบทําบุญประเภทปฏะทีปอ ทำบุญด้วยแสงสว่างเนี่ยท่านถนัดมากบอกงั้นตั้งรอบพระเจดีย์เนี่ยนะเรื่องแสงไฟเรื่องอะไรท่านชอบเอาแสงไฟเนี่ยนะประทีปเนี่ยทำบุญบเพราะว่าผู้ให้แสงไฟคือผู้ให้สายตาใช่ไหมผู้ให้ผ้าคือผู้ให้หวันณนะผู้ให้ข้าวให้น้ำคือผู้ให้กำลังผู้ให้ยวดยานพาหานะคือผู้ให้ความสุขเนี่ยนะถ้าหากคนที่ให้ที่อยู่อาศัยเนี่ก็ชื่อว่าให้ทั้งปวง ให้ทั้งหมดเลยให้ทั้งตาด้วยให้ทั้งกําลังด้วยให้ทั้งวันละด้วยนะให้ทั้งความสุขด้วยมันเงี้ยแต่ว่าผู้ให้ธรรมะคือให้อมตตาทำให้ความไม่ตายมันงี้ยนะบุการให้หมดเลยเอ้าวคือให้ที่อยู่อาศัยด้วยนะเช้าอ่านหนังสือให้ผ้าฟังด้วยนะอให้หมดเลยโมทนาเอากันแล้วกัน นี้เพราะความที่ท่านจะมีทิปตาทิปเนี่ยนะท่านก็มองเห็นทีนี้ท่านก็ได้ไปยังสำนักของพระสารีบุตรเถระแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านพระสารีบุตรในที่นี้ข้าพเจ้านี้เห็นพันโลกโลกธาตุด้วยทิพยจักสุอันบริสุทธ์ล่วงจักสุขของมนุษย์ก่อความเพียรอันข้าพเจ้าปรารบแล้วแลไม่ย่อยอมสติของข้าพเจ้าตั้งมั่นแล้วแล ไม่หลงลืมกายสงบไม่กระสับกระส่ายจิตตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวก็เมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของข้าพเจ้ายังไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นดังนี้เอ๊ะทไมนะความรู้ความสามารถขนาดนี้กิเลสยังละไม่ได้เหนกนเนี่ยก็ไปถามพระสารีบุตรเนี่ยนะพระสารีบุตรก็ให้กรรมฐานเลยท่านแนะนำว่าดูก่อนท่านอารุทธะ ความคิดอันใดแลที่มีอยู่แก่ท่านอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ามองเห็นเหาือนันพันโลกธาตุได้นะด้วยที่พระจักขุนี่ยนะล่วงจากที่พระจักขุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุขของมนุษย์เนี่ยความคิดอันนี้ของท่านเป็นมานะอะที่ไปนึกเออเราเนี่ยนะพันโลกธาตุเนี่ยเหมือนมาขามป้อมอยู่ในฝ่ามือเนี่ยอันนี้มานะนะ ดูก่อนท่านอนุรุท ธ, ธะความคิดแม้ใดของท่านที่มีอย่างนี้ว่าก็ความเพียรอันข้าพเจ้าปราบรแล้วเนีย่ยนะไม่ย่อหย่อนว่า ง, งั้นเถอะสติอันข้าพเจ้าตั้งมั่นแล้วไม่หลงลืมกายนี่สงบไม่กระสับกระส่ายจิตนี้ตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวว่า ง, งั้นความคิดอันนี้ของท่านก็เป็นทัจจนะ เราเนี่ยเป็นคนสงบมากเลยนะตั้งมั่นกายก็สงบอะไรก็สงบไปหมดอนั่นแหละอุทะจานะความคิดตัวนั้นอะ่ะแม่ความความคิดแม้ใดของท่านที่มีอยู่อย่างนี้ว่าก็เล่เมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของข้าพเจ้าก็ยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นความคิดของท่านอ น, นั้นก็เป็นกุกุจะอันนี้เป็นกุกุจะนะเดือดร้อนใจเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอนุททท่านจงละธรรมะสามประการเหล่านี้เสีย คืออารมณ์ที่ได้เนี่ยดีแล้วชาณาจิตเป็นต้นที่ได้ดีแล้วแต่มาปรารชาณาจิตเหล่านั้นด้วยมานะด้วยเนี่ยนะมีมีสามอย่างนะคือด้วยมานะด้วยอุทธจธจะและกุกุจจะเนี่ยนะสามตัวนี้แหละที่ที่ทความเสียหายไม่ทาให้ท่านบรรลุสักทีหนึ่งวางั้น เพราะฉะนั้นท่านจงละธรรมะสามประการนี้เสียไม่ใส่ใจธรรมะสามประการเหล่านี้จงน้อมจิตเข้าไปเพื่ออมต า, าตถะนะน้อมใจเพื่อสงบระงับจากธรรมะที่สงบระงับจากสังขารทั้งปวงดังนี้พระเถระบอกกรรมฐานแก่ท่านด้วยประการชนี้ท่านรับกรรมฐานแล้วทูลลาพระศาสดาไปยังเจติยรัตกระทาสมณธรรมยับยั้งอยู่ด้วยการเดินจงกรมเป็นเวลาครึ่งเดือน เดินจังกรมอยู่ครึ่งเดือนเนี่ยนะเดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเนี่ยทางมันไหลลึกหน้าเดือนนะก็บอกว่าท่านลำบากกายเพราะตรากตรําด้วยกําลังของความเพียร น, นั่งอยู่ภายใต้พุ่มไม้ไผ่พุ่มหนึ่งนั่นนะนั่งอยู่ใต้โคนไม้ไผ่เนี่นั่งทําอะไรมันก่อนท่านสุภโมกไปนั่งโคนไม้ไผ่เหมือน น, นั่งทําอะไรนะนะนั่งเหมือนกับพระอนุรุทธะหรือเปล่าพระอนุรุทธะท่านนั่งปรารบถึง มหาปุริสวิตกแปประการเ อ, อนั่งนี่ดีแล้วแต่ว่าไอ้เรื่องที่คิดเนี่ยขอให้คิดเป็นไปกับกุศลดีหมดนั่งที่ไหนก็นั่งเจอเพราะนั้นแต่พระรุทธาเ น, นี่ยนั่งที่พุ่มไม้ไผ่เสร็จแล้วก็ปรารถถึงมหาปุริสวิตกว่าอายังธรรมโมว่างันธรรมะคือโลกุตระธรรมเก้านี้ย่อมเกิดแก่บุคคลผู้ชื่อว่ามีความมักน้อยเพราะปกปิดคุณที่ตนได้อย่างนี้ และเพราะรู้จักประมาณในการรับไม่เกิดแก่บุคคลผู้มักมากเหมนกันอันธรรมะนี่โลกุตระธรรมนี่จะเกิดสำหรับคนที่มักน้อยนะมีคุณธรรมก็ซ่อนเร้นคุณธรรมอ น, นันเอาไว้และรู้จักประมาณในการรับรับปัจจัย4เป็นต้นนั่นเองคำว่าบุคคลผู้มักน้อยเนี่ยนะมักน้อยมี4ประเภทนะเคยได้ยินนะมักน้อย4อย่างหนึ่งมักน้อยในปัจจัย4 2มักน้อยใน อธิคมคือในการบรรลุมรคผลแล้วก็มรคน้อยในปริยัตแล้วก็ข้อสุดท้ายมรคน้อยในทุดดงบรรดาผู้มรคน้อยสี่นะจำพวกนั้นเขาบอกว่าภิกษูผู้มรคน้อยในปัจจัยในปัจจัยสีเนี่ยนะคือจีวอนบินธบาตรสนาสนะเนี่ยเมื่อเขาให้มากย่อมรับแต่น้อยเมื่อเขาให้น้อยก็ย่อมรับให้น้อยลงกรกว่ายย่อมไม่รีดเอาจนไม่เหลือ นะถ้าฟังโคปาละก็สูตรวันนั้นก็คือรู้จักรทธนมโคนั่นเองเรียกว่ามักน้อยอนะต่อไปก็คือมักน้อยในอธิคมก็คือย่อมไม่ให้ผู้อื่นรู้มักผลที่บรรลุของตนเหมือนพระมัชันติกะเทระฉะนั้นบรรลุก็ไม่ปรารถนาจะให้ใครรู้ผู้มักน้อยในปริยัติแม้เป็นผู้ทรงพระตาบิดกก็ไม่ปรารถนาจะให้ผู้อื่นรู้ความที่ตนเป็นปหูสูตรเหมือนพระสาเกตกะเทระว่างั้น ขนาทรงพระไตรปิฎกก็ไม่อยากให้ท่านอยากให้ใครมีความรู้เอยไม่อยากให้ใครรู้เลยว่าท่านเนี่ยทรงพระไตรปิดกส่วนข้อสุดท้ายก็คือเป็นผู้มักน้อยในทุดงย่อมไม่ให้ผู้อื่นรู้ว่าตนรักษาทุดงเหมือนพระเทระผู้เป็นพี่ชายของพระเถระสองพี่น้องคือเรื่องเขาเล่า ว, ว่าพระเทระผู้พี่เนี่ยสมาทานทุดงนะพี่น้องก็บวชทั้งคู่นะเสร็จ แ, แล้ว พระเถระเนี่ยสมาทานนั่งมานอนไม่ไม่นอนละไม่มีใครรู้นะว่าองค์นี้เนี่ยสมาทานสมาทานทุดงไว้ทีนี้วันหนึ่งเนี่ยท่านก็นั่งอยู่เพราะท่านสมาทานไม่นอนเนี่ยใช่ไหมฟาแลบบับขึ้นมาเลยเอ๊ะน้องชายเห็นพี่ชายนี่นั่งอยู่เอ๊พี่เราไม่สบายรหรือเปล่าเนี่ยนะหลวงพี่ไม่สบายรหรือเปล่าก็เข้าไปถามเออลุงพี่ไม่สบายรหรือเปล่าครับท่านก็ล้มตัวลงนอนบอกเออไม่เป็นไรรอกอยอมขาดธุดงอ่ะนะน้องชายกลับไปสมาทานใหม่ แม้แต่น้องชายก็ไม่บอกให้รู้ว่าท่านท่านรักษาธุดงค์ะนะสันโดดขนาดนั้นอ่ะเขบอกว่าสันมักน้อยขนาดนั้นเนี่ยนะขณะรักษาธุดงอย่างเคร่งครัดก็ไม่ปรารถนาจะให้ใครรู้ว่าท่านเนี่ยเป็นพระที่ทรงทุดงว่างนันเพราะว่าธุดงนั้นเป็นชื่อของความขัดเกลวเนี่ยนะความขัดเกลานั่นเองแล้วก็คําว่าสันโดดเนี่ยนะสันตุทีเนี่ยสันโดษมีเท่าไหร่นะ สันโดษสามในปัจจัยสี่เท่ากับสันโดษสิบสองสันโดษสามก็คือ1สันโดษในอ่ะเรียกว่าสันโดษตามมีตามได้ยถาลาภสันโดษเนะข้อ 1. นะสันโดษตามมีตามได้2สันโดษตามกำลังอ่สุดท้ายยถาสารุปสันโดษสันโดษตามสารูปเนี่ยนะตามตามความเหมาะสมเหมือนกันเนี่ยตามสารูป สันโดษ3อย่างนี้ไปคูณกับจีวอนบินทบาทเสนาสนะและยารักษาโรคเท่ากับสันโดษ12เนี่ยนะก็คือถ้าได้จีวอนก็เอาตามมีตามได้อันนี้เขาเรียกว่ายะถายะถาลาภะเนี่ยนะจีวอนเนี่ยบางอย่างเนี่ยพิจารณาดูแล้วเอ๊ไม่เหมาะสมเราเป็นคนแรงน้อยเป็นคนมักร้อน ก็ไปเปลี่ยนเอาผ้าที่บางๆมาหม่มหรือเป็นคนนิยมหนาวหรือมักหนาวเป็นปกติก็ไปเปลี่ยนกับผู้ที่ผู้ที่เขาชอบร้อนเนี่ยนะก็เปลี่ยนผ้ากันเหมือนกันเลยอันนี้คเครียกว่ายะถาภะละสันโดษและข้อสุดท้ายยะถาสารูปะก็เอ้ผ้านี่อย่างดีเหมาะสําหรับผู้ที่เป็นพระเถระผู้ที่บวชนานแลว้วของเราก็ไปเอาของเก่าๆของท่านมาใช้ใเป็นต้นอันนี้เรียกว่ายะถา สารูปะสันโดษนี่นะนะเรื่องอาหารบินทบาดก็ลักษณะเดียวกันที่อยู่อาศัยก็ลักษณะเดียวกันแม้กระทั่งยารักษาโรคก็เหมือนกันเขาเรีย okay, กว่าเนร้นโลกุตระธรรมนี้เป็นของคนมากน้อยเนี่ยนะมากน้อย4อย่างนี้เป็นของสันโดษแบบนี้โลกุตระธรรมเนี่ยนะแล้วต่อไปก็บอกว่าโลกุตระธรรมนี้เป็นของผู้ที่ข้อสะข้อต่อไปคือวิเวกใช่ไหม ของบุคคลผู้สงัดมีใช่ของบุคคลผู้ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะวิเวกนี้มีสามอย่างนะก็บอกว่าความบันเทาความคลุกคลีด้วยหมู่คณะแล้วเป็นผู้มีกายโดดเดี่ยวด้วยอำนาจอารัมภวัตถุเรื่องปรารบความเพียรชื่อว่ากายวิเวกเนี่ยนะนั่งแต่ผู้เดียวเดินแต่ผู้เดียวยืนแต่ผู้เดียว อนอนแต่ผู้เดียวแล้วก็เจริญกุศลธรรมไปอันนี้เรียกว่ากายวิเวกแต่รับกรรมฐานย่อมไม่สําเร็จด้วยอาการเพียงอยู่ผู้เดียวเพราะฉะนั้นพโยคีทำบริกรรมเกษรแล้วยังสมาบัตแ8ให้บังเกิดนี้ชื่อว่าจิตวิเวกเนี่ยน ะ, ะมหากุศลทั้งหมดเลยเรียกว่ากายวิเวกเมื่อไปอยู่คนเดียวแล้วมหากุศลจิตเกิดนี่เรียกกายวิเวกแต่ถ้าได้ฌานจิตเกิดขึ้นอันนี้เรียกว่า จิตตวิเวกกรรมฐานย่อมไม่สําเร็จด้วยเหตุเพียงสมาบัติเท่านั้นเพราะเหตุนั้นพโยคีกระทําฌานให้เป็นบาทพิจารณาสังขารทั้งหลายแล้วบรรลุพระรหัสพร้อมด้วยปฏิสัมพิธานี้ชื่อว่าอุปทิวิเวกสงัดจากกิเลสโดยอาการทั้งปวงเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่ากายวิเวกสําหรับบุคคลผู้มีกายสงัดเห็นไหมผู้ยินดียิ่งใน เนคขมะเนคขมะก็คือกุศลจิตนั่นเองนะอยู่คนเดียวแต่ว่าอยู่ด้วยกุศลจิตอันนี้เรียกว่ากายวิเวกจิตวิเวกสำหรับบุคคลผู้มีจิตบริสุทธิ์ผู้เข้าถึงความผ่องแผ่อย่างยิ่งนะจิตของเขาเนี่ยบริสุทธิ์จากอุปกิเลสใช่ไหมขณะที่ชาญาจิตเกิดเนี่ยอุปกิเลสไม่มีแม้แต่อย่างเดียวและอุปธิวิเวกนี้สาหรับบุคคลผู้ปราศจากอุปกรณ์ ก็คือปราศจากโดยสิ้นเชิงถึงพระนิพพานอันปราศจากสังขารเพราะฉะนั้นนิพพานนี้ไม่มีรูปนามขันห้าไม่มีรูปไม่มีเสียงไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีโภตาภาสักอย่างเลยแต่ว่าธรรมะเหล่านั้นเนี่ยซึ่งคนที่จะมีธรรมะเหล่านั้นเป็นอารามณปัจจัยได้หรือมีนิพพานเป็นอารามณปัจจัยได้เนี่ยนะปหานะปริญญาจะต้องแม่นยำมั้งนะเนี่นะ ไม่มีสังขารเป็นที่มายินดีสากอันหนึ่งเลยนะของเรานึกอะไรก็ไม่พ้นสังขารสักอันหนึ่งเลยมันก็จึงห่างกับท่านมา ก, ก น, นะแต่ไม่เป็นไรนับถือคนที่ไม่มีสังขารเป็นอารมณ์ก็ได้นะเอาเป็นสารณะก็แล้วกันใช่ไหมนับถือคนดีเรายังไม่ดีก็นับถือคนดีไปก่อนนะนะสักวันหนึ่งเท่านะนะ <c oughs> แล้วก็บอกว่าเป็นผู้อ่า ถ้าหากว่าคนที่ยินดีด้วยความคลุกคลีในหมู่คณะหรือยินดีด้วยกิเลสอย่างเงี้ยโลกุตระธรรมไม่เกิดแก่บุคคลนั้นนะแล้วข้อต่อไปก็คือของบุคคลผู้ปรารบความเพียรไม่ใช่ของคนเกียดคร้านี่ท่านอธิบายว่ า, าผู้ปรารบความเพียรด้วยความเพียรทางกายและทางจิตเห็นนะก็ไม่ปฏิเสธความเพียรในการเดินจงกรมในการนั่งกรมกรมฐ า, านในการยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะในอริยาบถ ท, ทั้ง4ด้วย แล้วก็ความเพียรทางจิตด้วยเพียรนี่เพียรทําอะไรเพียรละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเพียรระวังไม่ให้อกุศลเกิดเพียรเจริญกุศลแล้วก็เพียรพอกพูนพัฒนากุศลนั้นให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นคือเป็นเรื่องของความเพียรอ่สาสัมประธานนี้เจริญยากเหมอนนะเจ น, น, นต่อไปนะเป็นของบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นมิใช่ของบุคคลผู้มีสติลงลืม สติตั้งมั่นก็ด้วยอํานาจสติปัฏฐานสี่นะตั้งมั่นด้วยสติปัฏฐานสี่นะเขาจึงจะบรรลุโลกุตระธรรมได้แล้วข้อต่อไปเขาบอกว่าเป็นของผู้มีจิตมั่นคงนี้ก็หมายถึงมีอารมณ์เป็นหนึ่งเนี่ยนะเอกคัตารมังั่นเนี่ยเป็นระดับฌานาจิตเป็นต้นเพราะว่าพระสูตรนี้ใครเป็นคนตรึกนะพระอนุทุ ธ, ธเพราะฉะนั้นพระอนุรุธาท่านได้ฌานอยู่แล้ว ท่านเห็นอนุอนภาพของจิตที่ตั้งมั่นแล้วต่อไปบอกว่าปัญญาวันโตผู้มีปัญญาด้วยปัญญาเป็นเหตุรู้ว่าสัตว์มีกรรมเป็นของของตนนะกรรมมกตานี่มั่นคงมากนะนี่ท่านตรึกไปได้ถึงข้อเจ็ดใช่ไหมถึงข้อเจ็ดแล้วว่ากรรมมกตาต้องมั่นคงว่างั้นเยแล้วพระ อ, องค์ก็มาตรัสว่าพระ อ, องค์นี่หายตัวมาจาก ที่ที่พระ อ, องค์ประทับเลยนะมาปรากฏ ต, ตอหน้าผ่านรุท ธ, ธาวาสทาุสาธุความว่อาสาธุยางอธิไวอีกนะสาธุนี่หมายถึงอะไรบ้นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงยังจิตของพระเถระให้ร่าเริงจึงตรัสอย่างนั้นคือเข้าไปอนุโมทนานะไปมุทิดาให้จิตของท่านเนี่ยร่าเริงบันเทิงเต็มที่อ่ะ บทว่าอิมังอัธมังความว่าเมื่อจะตรัสบอกมหาปุริสวิตกข้อที่แปดแก่พระอนุรุทธะผู้ตรึกมหาปุริสวิโตกเจ็ดประการอยู่จึงตรัสอย่างนั้นเหมือนให้ขุมทรัพย์ที่แปดแก่บุรุษผู้ได้ขุมทรัพย์เจ็ดขุมขุมทรัพย์แต่ละความตรึกนะั้นแต่ละอย่างเป็นขุมทรัพย์นะเมื่อไรนะเราตรึกแบบนี้เป็นทรัพย์สัทีหนึ่งนะเห็นเป็นทรัพย์เมื่อไรก็สบายและเป็นอริยทรัพย์แสดงว่าแสดงว่า การตึงนี่เป็นสิกขาับเจนพรเป็นเป็นเป็นสิกขาแล้วก็หนึ่งถึงเจ็ดนี่รู้สึกจะเป็นเรื่องของศีลและก็ทิฏฐิด้วยเจนพรพวกมักน้อยสันโดษเนี่ยนะพวกนี้เป็นเรื่องของศีลด้วยเนี่ยนะพวกความเพียรก็เป็นอธิจิตเนี่ยนะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องมักน้อยสัโยนโดษก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยศีลเมื่อเกี่ยวกับปัจจัยศีลอันนั้นก็เป็นอธิศีและสิกขาเรื่องความเพียรเรื่องสตินี่เป็น อธิจิตสศิขาปัญญาก็เป็นอธิปัญญาศิกขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านตรึกก็ตรึกเป็นไปกับศิขาสามนั่นเองเนี่นะนี่เป็นเบือเเ้องต้นแห่งพรหมจรรย์ครบเลยกรรมสศกตาปัญญาด้วยเจนพรใจ่ก็บอกว่าและเหมือนให้ขุมทรัพย์ที่ 8. แปดเนี่ยนะแล้วก็เหมือนอบุรุษผู้ได้แก้วมณีเจ็ดช้างแก้วเจ็ดม้าแก้วเจ็ดก็ไปเพิ่มให้ครบ 8. แดอย่างี้นะ เปร่งเนี่ยไปเพิ่มซัพ์ให้แกเขาอะนะบทว่านิปป ะ, ะนิป ป, ปันจารามสะความว่าผู้ยินดีในบทคือพระนิพันธ์พระนิพัน์ น, นี้ชื่อว่าธรรมะที่ไม่เป็นเครื่องเนื่นช้าเนี่ยนะกล่าวคือธรรมะที่ปราศจากความเนื่นช้าเพราะเว้นจากธรรมะเครื่องเนื่นช้าคือตัณหามานะและทิฏฐิส่วนโลกิยธรรมอย่างอื่นนี้เป็นอารมณ์ของความเนื่นช้าได้หมดเลยนะจิตเข้าไปเนื่นช้าใน อารมณ์นั้นๆได้หมดเลยทีนี้ย้อนมากลับที่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงมหาปุริสวิตตก8ประการแก่พิกสุซ้ำในรอบสองกล่าวว่าดูการพิสูทั้งหลายธรรมะนี้ของบุคล ค, นนบคลผู้มีความปรารถนาน้อยมิใช่ของบุคคลผู้มีความปรารถนามากธรรมะนี้เป็นของบุคคลผู้สันโดษมิใช่ของบุคคลผู้ไม่สันโดษ ธรรมนี้เป็นของบุคคลผู้สงัดไม่ใช่ของบุคคลผู้ชอบคลุกคลีด้วยหมู่คณะธรรมนี้ของบุคคลผู้ปรารบความเพียรไม่ใช่ของบุคคลผู้เกียจคร้านธรรมนี้เป็นของบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นไม่ใช่ของผู้มีสติหลงลืมธรรมนี้เป็นของบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นไม่ใช่ของบุคคลผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นธรรมนี้ของบุคคลผู้มีปัญญาไม่ใช่ของบุคคลผู้มีปัญญาสาม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 ก็คือคําว่าปรารถนาน้อยเนี่ยเป็นยังไงอย่างนั้นเถอะขณะที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพิสูจในธรรมวิไนนี้เป็นผู้มีความปรารถนาน้อยย่อมไม่ปรารถนาว่าขอชนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยตัวเองเนี่ยมักน้อยนะยังไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าตัวเองมักน้อยอีกนะมักน้อยขนาดนั้นแหละ <c oughs> มักน้อยจนไม่อยากให้ใครรู้ว่าตัวเองมักน้อยอย่างนั้นเอาสุดยอดของความมักน้อย เขาว่ามักน้อยในที่นี้มักน้อยในอะไรนะมักน้อยในปัจจัย4มักน้อยในการบรรลุมักผลไปแล้วนะจึงมักน้อยไม่ใช่มักผลยังไม่ได้บรรลุเลยมักน้อยเลยไม่อยากได้มักผลเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะแล้วก็ปริยัพเนี่ยท่านทรงพระตาปิฎกแล้วนะท่านจึงมักน้อยไม่อยากให้ใครรู้นะไม่ได้เรียนอะไรเลยก็มักน้อยไม่อยากได้อะไรสักอย่างคนละอย่างกันนะคิดไม่ดีวโอ้เป็นคนมักน้อยสันโดษเลยไม่เรียนอะไรสักอย่างไม่ใช่นะ แล้วก็มักน้อยในทุดงท่านสมาทานทุดงแลว้วจึงไม่ปรารถนาจะให้ใครรู้ว่าตัวนั้นรักษาทุดงแล้วก็ต่อไปก็เป็นผู้สันโดษย่อมไม่ปรารถนาว่าขอชนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้สันโดษเนี่ยนะมักน้อยขนาดเนี้ยอ่าเป็นผู้สงัดไม่ปรารถนาว่าขอชนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้สงัดชอบเงียบเงียบชอบสงบสงบเนี่ยนะกา ย, ว, ย بر, วิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกก็ไม่อยากให้ใครรู้ว่าตัวเองนี้ เป็นคนชอบวิเวกเหมือนกันเป็นผู้ปรารบความเพียรย่อมไม่ปราถนาว่าขอชนทั้งหลายเพึงรู้เราว่าเป็นผู้ปรารบความเพียรเป็นคนที่มันเจริญกุศลก็ไม่ไม่อยากให้ใครรู้อะเป็นผู้มีสติตั้งมั่นย่อมไม่ปราถนาว่าขอชนทั้งหลายเพึงรู้เราว่าเป็นผู้มีสติตั้งมั่นเป็นผู้มีจิตมั่นคงย่อมไม่ปราถนาว่าขอชนทั้งหลายเพึงรู้เราว่า เป็นผู้มีจิตมั่นคงขนาดได้ฌานเป็นต้นก็ไม่อยากให้ใครรู้เป็นผู้มีปัญญาย่อมไม่ปรารถนาว่าขอชนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้มีปัญญาว่ากันเป็นผู้ชอบใจในธรรมะที่ไม่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าย่อมไม่ปรารถนาว่าขอชนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้ชอบใจในธรรมะที่ไม่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าข้อที่เรากล่าวว่าดูก่อนพ่สูจนทั้งหลายธรรมะนี้ของบุคคลผู้มีความปรารถนาน้อย มีใช่ของบุคคลผู้มีความปรารถนามากดังนี้เราอาศัย ข, ข้อนี้กล่าวแล้วโอ้มักน้อยจริงๆเลยนะขนาดมีธรรมะมีมหาปุริสวิตตกแดอย่างในตัวมักน้อยไม่อยากให้ใครรู้อะ่ะอย่างนี้แหละเ้าเรียกว่าเป็นคนมักน้อยจริงๆกันนะบางท่านก็เลยเจนทรอน อันนี้ท่านานเนี่เนี่ยนีก็ไม่อยากให้ใครรู้ว่าท่านบรรลุนิพพานแล้วคือท่านบรรลุธรรมแล้วก็ไม่ไม่อยากให้ใครรู้ว่าท่านบรรลุธรรมแต่ไม่ใช่ท่านไม่สอนนะท่านก็สอนแต่ท่านไม่ได้บอกว่าท่านบรรลุธรรมอันนั้นท่านจะแสดงเฉพาะข้อปฏิบัติเจริเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าท่านมีคุณธรรมอย่างนั้นเลยนะท่านไปบอกคนอื่นนะนะสมมุติว่าท่านมีมรรคผลอยู่ในตัวแล้วเราบอกว่าข้าพเจ้านี้ บรรลุโสดาปฏิมัติอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะถ้ามีจริงเป็นอบัตนะพระองค์ปรับอบัตด้วยนะียถ้าไม่มีจริงเป็นป ร, ราชิกเชิญฟังถ้ามีจริงเนี่ยเป็นอบัตปารจิตีนะพิสูรูปใดนี่อวดอุตตริมนุสธรรมเนี่ยนะที่มีอยู่จริงเนี่ยเป็นอบัตปารจิตีนะตั้งแต่ฌานอภิญญามักผลเนี่ยนะถ้าไม่มีจริงป ร, ราชิก นะอันหนึ่งพิสูตรใดอวดอุตริมนุษธรรมอันเป็นความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสา ม, มารถน้อมเข้ามาในตัวว่าข้าพาเจ้ารู้อย่างนี้ข้าพาเจ้าเห็นอย่างนี้ครั้นสมัยอื่นแต่นั้นเนี่ยนะก็ก็คือเกิดตอนหลังเกิดเปลี่ยนแปลงความคิดว่าแนะ่ท่านข้าพาเจ้าไม่รู้ได้กล่าวว่ารู้ไม่เห็นได้กล่าวว่าเห็นได้พูดปร่อ ย, อยเป็นเท็ศเปล่ า, ล า, ลาๆว่างั้นคือเขาบอกว่าแม้พิสูจนนี้ก็เป็นปาราชิกหาสังวาสไม่ได้เนี่ยนะก็คือเขาบอกว่าคนคอขาด นะไม่สามารถที่จะต่อได้ชั้นใดที่สุดที่เป็นปาราชิกก็ลักษณะนั้นเพราะนั้นท่ า, าการที่มีอุตริมนุสธรรมเนี่ยจะบอกได้ครั้งเดียวคือเวลาใกล้ใกล้จะตายจริงๆนะถ้าใกล้จะตายนี้ส่วนใหญ่ภิกษุที่เป็นลูกศิษย์เป็นต้นก็จะไปถามคุณธรรมเออท่านได้บรรลุอะไรแล้วครับแบบนันเอออะไรหน่อยหนึ่งก็ไม่มีอย่างเงี้ย嘛อะไรหน่อยหนึ่งก็ไม่มีลูกศิษย์เอออาจารย์ไม่มีอะไรสักอย่างเลยที่จริงอาจารย์ได้อากินจัญญายตนะสมาบัติอย่างเงี้ย ท่านก็แต่ท่านก็จะบอกกันนะว่าใกล้จะใกล้จะมรณะเนี่ยส่วนใหญ่ท่านจะบอกคุณธรรมที่ท่านได้แล้วแต่ก็ไม่ใช่ปิดกั้นในการสอนแต่ไม่ได้น้อมธรรมะเหล่านั้นเนี่ยมามาในตัวท่านเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนส่วนใหญ่จะกล่าวเฉพาะทางเนี่ยนะจะกล่าวเฉพาะปฏิบัติเพรา ะ, ะคำสอนเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ดีแล้วเพราะว่าพระธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นของพระ พ, พระพุทธเจ้าเป็นธรรมราชาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสมบัติเหล่านั้นเป็นของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ที่บรรลุมรคลจริงๆจึ ง, จ ง, จ ง, จ ง, จงทราบเชิงในพระพุทธคุณมากเนี่ยนะแต่ในขณะเดียวกันนี้ท่านมักน้อยไม่ใช่ตนี่นะตนี่กับมักน้อยไม่เหมือนกันอ่ามักน้อยก็คือมีแล้วไม่อยากให้คนอื่นรู้แต่ในขณะเดียวกันท่านต้องการให้ผู้อื่นเนี่ยบรรลุคุณธรรมอันนั้นด้วยอย่างอ่าพระนะพระโสดาบันเป็นต้นไปแล้วเนี่ยจะไม่มักน้อยใน อ่าไม่ใช่จะไม่ตนีในรู้สึกตนีเลยพระโสดาบันนิรละความตนีได้เด็ดขาดเพราะนั้นมรรผลนิพพานเนี่ยพระโสดาบันยินดีที่จะให้คนอื่นเนี่ยบรรลุมรรผลนิพพานอย่างนั้นแหละไม่รู้สึกตนีอะไรไม่ทราบว่าเป็นการขัดเก่อเรื่องในปะปัญจธรรมอันหนึ่งหรือเปล่าครับเรื่องมันนะอ่าส่วนหนึ่งด้วยจนพอแต่ว่าผู้ยินดีในนิพพานอันนี้ถ้ายินดีจริงๆก็คือระดับพระอริยะแล้วเนี่ยนะ ถ้าหากว่าเอาแบบสุดยอดเลยก็คือเป็นพระโสดาบันเป็นต้นแล้วก็ไม่ปรารถนาจะให้ใครรู้ว่าท่านได้เป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยนอะอ่ทีนี้ข้อต่อไปว่า <c oughs> ข้อที่เรากล่าวว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายธรรมะข้อนี้เอ่อธรรมะนี้ของบุคคลผู้สันโดษมิใช่ของบุคคลผู้ไม่สันโดษเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูก่อนพิสูนทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้สันโดษด้วยจีวนบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานะปัจจัยเภศักบริขารตามมีตามได้ข้อที่เรากล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมนี้ของบุคคลผู้สันโดษมิใช่ของบุคคลผู้ไม่สันโดษดังนี้เราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้วก็คือสันโดษสามอย่างในปัจจัยสีนั่นเองน แต่ถ้าหากว่าสันโดดตามอัตถกถาจูลานิเทศเนี่ยโอ้นั่นสันโดดตั้งเยอะเนี่ยนะนหะรือในอัตถกถาอริยวังสสูตรอังคุตระนิกายจตุการนิบาศนั้นก็กล่าวสันโดดไว้เยอะสันโดดตั้งแต่เย็บตั้งแต่ย้อมตั้งแต่ซักโอ้สันโดดหมดเลยนะนะพระอย่างนั้นเนี่ยเนท่านนาธรรบุญจริงๆริงท่านเป็นนาบุญจริงจรอ่ะนะเพราะว่าความเป็นนาบุญของพระพิสูจอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนนะ สปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนและสามีจิปฏิปันโนอ่าจ็จะมีข้อตามท้ายว่าสาวกสังคโฆอ่าสาวกของพระพุทธเจ้านะสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติ ด, ดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วเนี่ยนะท่านท่านเหล่านั้นแหละคือคู่แห่งบุตรสี่คู่ นาเปรียงตัวบรุษได้แปดบรุษนั่นแหละสองสาวกของพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างเหมือนพระอนุรุทธะนี่ใช่ไหมองค์นี้เป็นนาบุญของโลกเลยนะเพราะนนั้นบางสูตรเนี่ยพระองค์ยกย่องมากว่าถ้าหากว่ากษัตริย์ทั้งปวงเนี่ยนะตามระลึกนึกถึงพระอนุรุทธะเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยโอ้นั่นเป็นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่กษัตริย์เหล่านั้นนะนะยกกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรหรือว่าตั้งแต่ญาติตั้งแต่ พวกที่อยู่ในชนบทราชธานีแว่นแควนหรือว่าเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าระลึกถึงท่านเหล่านี้เนี่ยนะจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขว่างั้นเถอะเพราะความที่ท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่ปฏิบัติตรงจริงๆเลยใช่ไหมปฏิบัติตรงต่ออะไรปฏิบัติตามมัชชิมาปฏิปทาเพื่อแทงตลอดอริยสัจเพราะท่านเหล่านี้แทงตลอดอริยสัจอย่างบริบูรณ์แล้วเนี่ยนะอย่าลืมว่าข้อปฏิบัติเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือสิกขาสาม เสขาสามเนี่ยนะเสขาสามนั้ น, ะ ส, น, นส่งข้อลงอริยสัจได้ไหมได้อริยสัจข้อข้อไหนข้อมัคคะอริยสัจนั่นเองเนี่ยนะทุกขานิโรธค า, ามินีปฏิปทาอริยสัจอันอแสดงว่าผู้ที่จะกล่าวเรื่องมัคคอริยสัจนี้คนนั้นจะต้องรู้เรื่องทุกขาริยสัจเป็นอย่างดีเนี่ยนะรู้อยู่แล้วว่าทุกขาริยสัจเป็นเช่นไรนะ ต้นเรื่องเราก็คุยเรื่องทุกขาริยาศัตร์แล้วใช่ไหมกูว่าไงโอ้สีอย่างหนึ่งก็ก่อให้เกิดอรยธรรมมากมายนั่นแหละเรียกว่าทุกขาริยาศัตร์นั่นแหละเนี่นะตัณหาที่เข้าไปเพลิดเพลินยินดีในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นสมุทัยอริยสัตร์นั่นนะถ้าหมดตัณหาก็เท่ากับหมดกองทุกข์ด้วยอันนั้นเป็นนิโรธขริยาศัตร์แล้วข้อปฏิบัติเนี่ยอย่างที่กล่าวแบบนี้จึงจะแทงตลอดอริยศัตร์เหล่านั้นได้เพราะอริยศัตร์ เนี่ยนะจะแทงตลอดในขณะเดียวเขาเรียกว่าเอกปฏิเวทยาเนี่ยนะโดยขณะที่มรรคจิตเกิดขึ้นมีนิพานเป็นอารมณ์นั้นเท่ากับแทงตลอดอริยสัจสี่ที่เรียกเอกปฏิเวทยาเนี่ยนะบรรลุโดยขณะจิตเดียวเขาวางเงันอันนั้นตอนจบเลยนะแต่มาใช่ว่าตอนต้นไม่รู้อะไรสักอย่างจะรอตอนจบแล้วปิ้งขึ้นมาเลยอยู่ๆแล้วก็พังขึ้นมาเลยเนี่ยนะเอาใครให้ใครไปเคาะอะไรสักอันหนึ่งเนี่ยนะเคาะพังได้แล้วมาใช่อย่า ง, งานั้นหรอกเนี่ยนะ มาก็รอแบบนั้นมานอนทําไมบวชใหม่ๆเนี่ยโอ้ยรอเมื่ อ, อไหร่จะปิ้งขึ้นมากับเขาสักทีหนึ่งอยากให้อยู่ๆมันวุบขึ้นมาเลยมันสว่างโลง่งไปหมดเลยเอาก็เปิดไฟซะสิไงามันนั่งนึกกทำไมเออเปิดไฟมันก็สว่างแล้วเนาะคือมันเข้าใจข้อปฏิบัติผิดไปคือเราก็ไม่รู้ว่าถ้าบรรลุบรรลุอะไรก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าแตสรู้อะไรเราก็ไม่เคยรู้อีกนั่นแหละ มันก็เลยกลายเป็นว่าเอ้เราก็รอไอ้ปิ้งสักอย่างหนึ่งไปอ่านหนังสือบางเล่มก็บอกว่าโห้ยอยู่ๆเนี่ยมันสว่างมันวูบขึ้นมาเลยเงี้ยนะนวูบหน้ามืดนะบางทีเนี่ยก็ต้องสังเกตด้วยนะว่าเอ้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอหรือเปล่าเัี้ยอะ่างนั้นะไอบ้บูบบวบเนี่ยนะบางทีเนี่ยเลือดลมมันวิ่งไม่ดีเท่นั่งแล้วมันวูบขึ้นมันกระตุกเป็นต้นเนี่ยแสดงว่าลมมันกำเริบเนี่ยนะก็อย่าไปเข้าใจผิดว่านั่งแล้วกระตุกวูบขึ้นมาแล้วได้ดีไปเลย พังะหน้าพังะหลังหรือบางทีเนี่ยมันง่วงนะนะอยู่แล้วมันมันเข้าไปผวาเนี่ยที่เจตสชรุปมันทรงตัวไม่อยู่มันก็เลยวูบลงไปก็อย่าไปคิดว่าได้ดิบได้ดีอะไรหรอกธรรมดาปกตินั่นนะ เพราะว่าถ้าตาัศโรเนี่ยเขาตาัศโรอริยสัตว์ถ้าเราวบขึ้นมาแล้วโอ้โหอริยสัตว์เนี่ยมองเห็นล่องไปหมดเลยเนี่ยนะ <c oughs> โอ้นี่ยังกิจิสมุทะยะทำมังสะพันทางนิโรธรมังงนั้นโอ้นี่ปฏิจจสมุป บ, บาทนี้เป็นอย่างนี้เองเนี่ยเขายัางชั่วหน่อยนะไม่ใช่วบขึ้นมาแล้วก็ฉลาดเท่าเดิม น, นั่นแหละแต่ก็นึกว่ามีพิเศษขึ้นไม่ใช่เลยสักอย่างอะไรที่บอกว่าธรรมะกลูกค้าผมเจอเบ่อย เชิญผ่านหมายถึงพระนิพานเป็นธรรมะที่เกษมจากโยคะโยคะแล้วว่าความประกอบใช่ไหมโยคะสคือนะการโยคะทิฏฐิโยคะภาวะโยคะและอวิโชคะเนี่ยนะโอคะคือโลภะโอคะคือทิฏฐิโอคะคือภพโอคะคืออวิชฌาเนี่ยนะธรรมะที่เกษมเกษมคําว่าเกษมก็คือปลอดภัยเนี่ยนะปลอดภัยจากโยคะซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของโยคะอันนั้นก็ได้แก่พันนิพาน าากามโยคะทิฐิโยคะภาวะโยคะและอวิโชโยคะถามว่าอะไรมั่งที่เป็นอารมณ์ของโยคะทั้งสี่อย่างนี้โลกียธรรมทั้งหมดเป็นอารมณ์ของโยคะทั้งสี่อย่างนิพานไม่เป็นอารมณ์ของโยคะสจิตที่รู้นิพานเป็นอารมณ์มีกี่ดวงจิตที่มีนิพานเป็นอารมณ์นี่มีกี่ดวงดวนะมัคจิตมีนิพานเป็นอารมณ์แน่นอน พลจิตมีนิพพานเป็นอารมณ์แน่นอนปัจเจเวคณาญาณคือมหากุสลญาณสัมปยุทธของพระโสดาบันของพระสกทาคามีของพระนาคามีสามารถมีนิพพานเป็นอารมณ์ได้มหากิริยาญาณสัมปยุทธของพระอรหันต์ก็มีนิพพานเป็นอารมณ์ได้อภินญาของพระโสดาบันเป็นต้นนะอภินญาจิตของพระโสดาบันก็จะรู้นิพพานของพระโสดาบัน อ, อภิญญาจิตของพระสกท า, าคามีจะรู้นิพพานของพระอานาคามีอภิญญาจิตของพระสกทาคามีก็จะรู้นิพพานแบบของพระอนาคามีถ้าอภิญญาของพระอรหันต์ก็จะรู้แบบของพระอรหันต์ถ้าสัพพัญยุตยานหรืออภิญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้หมดเลยเพราะฉะนัจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ได้แก่มรรคจิตผลจิตปัจเจเวคณาญาณอภิญญาจิตของพระอริยเจ้านะอภิญญาจิตของ ปุถุชนนั้นไม่สามารถมีนิพพานเป็นอารมณ์ได้นะเพราะฉะนั้นแต่ว่าก่อนที่จะจิตดวงอื่นๆจะมีนิพพานเป็นอารมณ์นั้นแสดงว่ามัคคจิตและพลจิตเกิดขึ้นแล้วเพราะโคตรภูมินิพพานเป็นอารมณ์มัคคจิตอย่างไรต้องเกิดอย่างแน่นอนเมื่อมัคคจิตเกิดพลจิตต้องเกิดอย่างแน่นอนสิ่งเหล่านี้เป็นอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยโดยแน่นอนเลย <c oughs> ธรรมะเหล่านี้กเกษมจากโยค ะ, ะ, ะ, ะเจนพรเกษมจากโยคะแต่จิตที่เหลือไม่กเกษมจากโยคะถึงมหากิริยาจิตก็ยังไม่กเกษมจากโยคะเพราะยังเป็นอารมณ์ของโยคะของผู้อื่นอยู่นะเองางี้นะบางคนเนี่ยชื่นชมในความเขาเรียกว่าโลภะเกิดยินดีในจิตของพระพุทธเจ้าอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้ก็ยัง มันจิตของพระพุทธเจ้าที่เป็นมหากุศลเอ่อมหากริยาทั่วไปก็ยังเป็นอารมณ์ของโยคะแต่ถ้านิพพานจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีโยคะตัวใดเข้าไปประกอบซากอันหนึ่งเพราะว่าเพราะอะไรคนที่รังเกียจในหรือว่ามีความเบื่อหน่ายในอุปาทานขันห้าจริงๆแล้วจึงจะแทงตลอดนิพพานเพราะงั้นแหละมันคนที่บรรลุฌานได้คนนั้นจะต้องเห็นโทษของกรรม เจนพรเขมังนั่นเองนะนเขมังอ่ะบาลีมากว่าเขมังอ่ะตรงข้ามกับพยังว่างั้นนะถ้าภัยนี้ไม่กับเสมเลยนะนะพยังกับเข้มังเขาจะคู่กันไผ่กับปลอดภัยคําว่ากษัริย์มังสาวก็แปลว่าปลอดภันะนะ่นเนี่ยนะสังขารเนี่ยสังขารคือคืออุปาทานขันห้าพวกนี้เรียกว่าอะไรเป็นธรรมะที่ยังเป็นเป็นภัยอยู่เนี่ยนะนะ ที่สนใจเรื่องเรื่องคำว่าโยคะนี่นะเกษมจากโยคะนี่นะครับ ก, ก็หมายความว่ า, าท่านหลุดพ้นจากผูกไว้ด้วยกามพ้นจากกามโยคะแล้วก็พ้นจากทิฏฐิโยคะนะพ้นจากที่ไอศีลปตาประมาศาหรือว่ามิจฉาทิฏฐิผูกไว้ในภพแล้วก็พราว่าโยคะนี่ก็หมายความว่าออกจากไม่ผูกไว้ไม่ติดในสังสารวัตรแล้วก็อวิชายโยคะนี่<ก>แน่นอน สามารถมองเห็นสิ่งนั้นอย่างลงอริยสัจได้หมดเลยเห็นทุกๆอารมณ์นี้ถ้าเป็นพระอริยะท่านสามารถพิจารณาสิ่งนั้นอย่างลงอริยสัจได้ได้หมดเลยเห็นอันนั้นก็เป็นไม่ใช่อวิชายคะและไม่ใช่เครื่องประกอบคืออวิชชาทีนี้ต่อไปอีกนะข้อที่ที่สามก็คือว่าข้อที่เรากล่าวว่า ดูก่อนภิษูนทั้งหลายธรรมนี้ของบุคคลผู้สงัดมีใช่ของบุคคลผู้ชอบใจการคลุกคลีด้วยหมู่คณะเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพวกพิกูุภิกษณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอามาตย์ของพระราชาเดรัจฉีและสาวกแห่งเดรัีเข้าไปหาพิกูุนนั้นพิกูุนั้ น, น, นมีจิตน้อมไปโอนไปเงื้อมไปในวิเวก ตั้งอยู่ในวิเวก ย, ยินดีในเนกขมมะย่อมกล่าวกระถาอันปฏิสังยุตด้วยคำพะตามสมควรว่างานแทบเข้ามาก็เกี่ยวข้องกับคนเหมือนกันแต่ก็เกี่ยวข้องแล้วกล่าวตามสมควรตามความเหมาะสมในสมาคมนั้นโดยแท้ข้อที่เรากล่าวว่าดูก่อนพี่สูจนทั้งหลายธรรมะนี้ของบุคคลผู้สังัดมิใช่ของบุคคลผู้ชอบใจในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะดังนี้เราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้ว คือเกี่ยวข้องกับคนอยู่แต่ก็มีใจยินดีในวิเวกเหมือนันน่ตั้งมั่นอยู่ในวิเวกเนี่ย น, นะข้อที่เรากล่าวว่าดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายธรรมนี้ของบุคคลผู้ปรารบความเพียรไม่ใช่ของบุคคลผู้เกียจคร้านเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูก่อนพิสูนทั้งหลายพิสูจนในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปรารบความเพียรหนึน่งเพื่อละอกุโลธรรมเนี่ย น, นะกว้างๆเลยนะ เพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมมีกําลังมีความบากบัน่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมข้อที่เรากล่าวว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายธรรมนี้ของบุคคลผู้ปรารบความเพียรไม่ใช่ของบุคคลผู้เกียจคร้านดังนี้เราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้วขยันเนี่ยขยันแบบนี้นะไม่ใช่ไม่หลับไม่นอนเลยนะก็แกล้ทั้งคืนเลยนะหลับหตื่นตื่นหลับหตื่นต่นทั้งมันทั้งคืนอย่างเงี้ยเนี่ยคนเกียจคร้านัเนน่นนะนะ คนมีอายุนี่นะก็แก๊กทั้งคืนนะครับะทําอะไรนักเนาะเพราะว่าคนมีอายุจะนอนน้อยฮะนะนอนน้อยพอตื่นขึ้นมาก็ต้องก็แก๊กครับก็ทํานู่นทํำนี่อะไรไหมถ้าไม่ไม่มีธรรมะเป็นที่พึ่งไม่มีธรรมะเป็นที่ที่ทอาศัยนะก็แก๊กจริงจริงทั้งคืนเลยนะทํานู่นทํานี่อะไรลูกมาจัดของอ จ, จัดเสร็จแล้วจัดใหม่กนัะ จัดแล้วจัดอีกจัดแล้วจัดเอกก็นั่นนะ่ะนะเออก็คิดดูนะว่าถ้าเราไม่ฝึกเจริญกุศลธรรมตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปให้ใจเป็นไปกับกุศลใจเป็นไปกับคำํำสอนมีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะมีพระธรรมเป็นสารณะมีพระสงฆ์เป็นสารณะจริงๆเนี่ยนะบางจิตนี้จิตเป็นไปกับอกุศลนี่ก็แก้ไขลําบากจริงๆนะมันฟุ้งซ่านอนะ่ะพอฟุ้งซ่านนั่นก็ไปแล้วตระเวนเปิดเปิงไปหมดแล้วความคิดเพราะฉะนั้นเพียรพยายามที่จะให้เข้าใจ สอนในเบื้องต้นก่อนหลังจากนั้นก็เพียรพยายามเพื่อที่จะทํากุศลแจิตที่เป็นไปตามคําสอนนั้นให้เกิดขึ้นให้ได้แต่ฝึกก่อนเนี่ยนะฝึกตั้งแต่ตั้งขณะนี้เลยเอางี้ก็การฟังทำจบเลยนะกลับบ้านเนี่ยจากนี้ไปถึงบ้านเนี่ยสามารถคิดอะไรเป็นกุศลได้บ้างก่อนอ่าชั้นต้นก่อนเออจากนี้ก่อนจะหลับเนี่ยสามารถจะทํากุศลอะไรได้บ้างหลับแล้วจะตื่นสักเท่าไหร่และจะทากุศลอะไรในช่วงนั้นไหมบ้างนะตั้งใจแบบนั้นบ่อยๆ อย่าลืมนะบารมีมี1ิอย่างเลยนะให้เอาสักข้อก็ได้ดีบุญกิริยาวถีมีั้งบุญกิริยาวัตถุมี1ิอย่างใช่ัหมให้ได้สักอย่างหนึ่งเถอะโอ้บารมีก็สิบบุญกิริยาวัตถูก็สิบไ้สมถาก็ตั้ง40วิปัสสนาขันธาตุอรยตณะย่ะๆยะไปหมดเลยนะแต่ไม่ค่อยเด้ทำอย่างนีไ้ได้สักอย่าง <laughs> าก็แกดนึง <laughs> คนเมียคนเมียอายุนะขอดูนะ5 6าหกนี่นะ ตี่สามตื่นละวนนีตื่นที่สามนะครับที่สกูจุ่มเนี่ที่สา ม, มเามชิญครับผมอย่งที่สี่ก็ตื <laughs> ่นวันนี้ไได้คุณจุ่มได้ยินนกกระปูดเหมือนผมได้ยินเลยเ <laughs> <laughs> สียงเดียวกันเลยนะเสียงเดียวนกไก่โอ้ยมันขันรอบเลยต่อ <laughs> ไปนะ <c oughs> ก็ข้อที่เรากล่าวว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายธรรมนี้ของบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นม่ใช่ของบุคคลผู้มีสติหลงลืมเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพิกูุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติเป็นเครื่องรักษาตัวอย่างยิ่งมีสติก็แสดงว่าสติที่เป็นปายกัดสัมปัญญาต้นแหละเนี่ยซึ่งถึงจะสามารถรักษาตัวได้อย่างยิ่งระลึกถึงระลึกนึกถึงกิจที่ทําคําที่พูดแม้นานได้ แต่ว่าเป็นไปกับสัมปชัญญะอย่างเต็มตัวเนี่ยนะแล้วก็ไม่หลงลืมข้อที่เรากล่าวว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายธรรมะนี้ของบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นมิใช่ของบุคคลผู้มีสติหลงลืมดังนี้เราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้วอะไรตรงนี้เหมือนกันรครับที่ว่าสติที่ว่าอไม่หลงลืมนะฮ ะ, ะเรื่องที่ทําคําที่พูดอะไรนี้นะคะนรับเจมพานนี่หมายความว่าคงจะไม่ใช่ อ่ะเรื่องอะไรอีเลยเ ค, ค, คือรเรื่องอะไ ร, ะไรก็ไม่เป็นไรแต่ว่าจิตอันนั้นเนี่ยจิตนั้นเป็นมหากุศลคือคือมหากุศลเนี่ยนะรู้ได้ทุกอารมณ์เพราะว่ามหากุศลเนี่ยหยิบยกทั้งเรื่องดีเรื่องนั้นดีหรือไม่ดีมหากุศลก็พิจารณาได้ทั้งหมดนี่นะหมายความว่าเอ่อเรื่องที่ทําคําที่พูดหมายความว่า ก, ก็เอามาเป็นอารมณ์แต่ให้เป็นกุศลคือจิตขณะนั้นเป็นกุศลแต่อารมณ์ในอดีต อารมณ์นั้นเนี่ยดีก็ได้เนี่ยนะที่เราเรียกว่าดีหรือไม่ดีก็ตาม <S <S อารมณ์นั้นเลวก็ตามปนิดก็ตามสติพิจารณาได้หมดเลยเนี่ยนะอำนาจของสติของปัญญาเอางี้นะสติหรือสัมปชัญญะที่ระลึกถึงกายกรรมที่เป็นอภุศณได้ไหมระลึกแล้วทําไงระลึกเพื่อที่จะได้เห็นโทษและสังวรต่อไปสติก็ระลึกถึงทั้งกายกรรมที่เป็นสุจริตและทุจริษฐ์รละลึกทั้งสองอย่างแล้วแยกแยะวินิจฉัยไข้ควรวญทั้งหมดเลย อย่างนึกถึงคําพูดที่พลาดพลั้งออกไปอย่างเงี้ยสติก็ระลึกเออแล้วก็ใส่ใจเออมีโทษนะคําพูดแบบนั้นเดี๋ยนะแล้วสมาทานตั้งใจที่จะไม่พูดแบบนั้นไปนต้นไปอันสตินะเป็นตัวที่เข้าไประลึกเดี๋ยนะมีอีกหลายท่านที่ยังเข้าใจผิดครับเข้าใจว่าไม่ลืมเรื่องที่ทําคําที่พูดหมายความว่าเป็นเรื่องกุศลทั้งสิ้นนี่แสดงว่าคือจิตนี้เป็นกุศล แต่ว่าอารมณ์นั้นเนี่ยทั้งกุศลอกุศลและอภยกตะได้ <c oughs> เนี่ยนะแต่สตินั้นต้องเป็นกุศลอย่างแน่นอนแต่เรื่องที่ระลึกถึงจะดีจะช่วยยังไงก็ระลึกได้ทั้งนั้นแหละเพียงแต่ระลึกแล้วคัดได้อะเนี่ยนะระลึกแล้วแยกแยะดีแยกแยะช่วยแยกแยะอะไรได้หมดเลยเนี่ยนะเพราะสติอันนั้นเนี่ยถ้าสติเกิดขึ้นอย่าลืมนะขมทรับเออไม่ใช่อะไรนะปริญายกแก้วนะสตินี่เหมือนปริญายกแก้วสติเหมือนกับขุนคลังเนี่ยนะจะ ต, ต้องจําอัดอันนี้ไว้หน่อย น, นี่บอกเป็นเครื่องรักษาเลยจอจารย์นี่เป็นเครื่องรักษาเป็นอย่างยิ่งก็แสดงว่าสตินี้เป็นไปกับสัมปชัญญะทั้งสี่ประการศสาสกะสัมปชัญญะคํานึงถึงประโยชน์นี้มั่นคงมากสองส ป, ปายะสัมปชัญญะก็อย่างดีแล้วก็โคจระสัมปชัญญะและอาศัมโมหะสัมปชัญญะคือสมถะและวิปัสสนานั้นมั่นคงว่างั้นเถอะจึงจะรักษาตัวได้ถ้าไม่งั้นนี่ก็รักษาตัวเนี่ยตัวไหน <laughs> นะก็คือรักษาตัวให้ปลอดภัยรักษาใจยินเป็นกุศลนั่นแหละต่อไปว่าข้อที่เรากล่าวว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายธรรมนี้ของบุคคลผู้มีจิตมั่นคงมิใช่ของบุคคลผู้มีจิตไม่มั่นคงเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูก่อนพิสูจนทั้งหลายภิสูจนในธรรมวิไนมิสังัาจจากกามสงัาจจากอากุศลธรรมบรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารณ์และสุขเกิดจากวิเวกเห ง, งือนกัน น, นี่แหละเขาเรียกว่าจิตมั่นคงจริงจนะทุติยฌานตติยฌานและ จะตุทะชานนะคนที่ได้ชานสีนั่นแหละเรียกว่าคนมีใจมั่นค ง, งนะนะของเราก็ใจใจไม่ค่อยมั่นคงนะแต่ก็มากุศลสลับ เ, บเกิดบอ่อยๆก็มั่นคงเหมือนกันนะแต่ถ้ า, ากุศลเกิดบอ่อยนี่ไม่มั่นคงหรอกเพราะว่าโลภะเนี่ยวันไหวโทสะก็หวันไหวโมหะก็หวันไหวเพราะฉะนั้นใจไม่ค่อยมั่นคงเลยนะถ้ายิ่งโลภะเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่มั่นคงละต่อไปว่าก็ข้อที่เรากล่าวว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลาย ธรรมะนี้ของบุคคลผู้มีปัญญามิใช่ของบุคคลผู้ไม่มีปัญญานะไม่ใช่ของบุคคลผู้มีปัญญาสามเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายพิสุจในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาความเกิดและความดับเป็นอริยชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบออปัญญานี้ไม่ใช่ธรรมดานะ เราเคยพิจารณาไม่ว่าอะไรเกิดอะไรดับเนะเอาหนึ่งอารมณ์เนี่ยมามามาเอาหลักที่ที่ได้ยินบ่อยๆนะ เ, เหตุเกิดความดับอัสสาธาอาทีนวะและนิสรณะเคยเอามาตั้งนะเอายกตัวอย่างเอาเสื้อผ้าหนึ่ ง, ห น, งหนึ่งเสื้อผ้าก็ได้นะเอาเสื้อผ้ามาฝึกคิดก่อน เ, อ เ, อเหตุเกิดของเสื้อผ้าเป็นยังไงที่สุดของเสื้อผ้าเป็นยังไง ไม่ใช่ไปนั่งดับโอ้โหแต่และใ ย, ยเนี่ยแตกดับปริยปริยปริยปริยไม่ใช่อย่างนั้น ค, ค, คือพิจารณาถึงว่าเบื้องต้นและที่สุดของผ้านี่คืออะไรเนี่ยนะอันนี้ชั้นต้นและสองผ้านี้ให้อาสายทาอะไรแล้วผ้านี้มีอาทีนวะอย่างไรซักไปเฮ้นั่นแหละอาทีนวะแล้วนิสรณะสลัดออกได้อย่างไรแล้วจิตอะไรบ้างที่ไปมีผ้าเป็นอารมณ์เนี่ยนะผ้านั้นก่อให้เกิดกายกรรมใดบ้างวิจีกรรมใดบ้างและ มโนกรรมในบ้างและต้องฝึกบ่อยๆพวกนี้จนกว่าจะทุกอารมณ์นั่นแหละใครฝึกสำเร็จพระพูทธภาคตรัสว่าเป็นยอดบุรุษครับเจนพอรเอเดี๋ยวต่อ น, นะเดี๋ยวจบสูตรนี้เล่นมาทีเดียวนะครับเจนพรแรงมากข้อที่เรากล่าวว่าดูกวามพิสูนทั้งหลายธรรมนี้ของบุคคลผู้ชอบใจในธรรมะที่ไม่เป็นเหตุให้เนิ่นช้า ผู้ยินดีในธรรมะที่ไม่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าไม่ใช่ของบุคคลผู้ชอบใจในธรรมะที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าถามว่าผู้ที่ชอบใจในธรรมะที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าคือชอบอะไรก็ชอบอุปาทานขันห้าถ้ายังยินดีในอุปาทานขันอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แหละแสดงว่ายินดีในธรรมะที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้ า, าผู้ผู้ยินดีในธรรมะที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าถามว่าพระองค์งอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูก่อนที่สุดทั้งหลาย จิตของพิสูจนในธรรมวินัยนี้ย่อมเล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่ในความดับกิเลสนิพพานนั่นแหละเป็นเหตุให้เนื่นช้ากันกิเลสเนี่ยนะเป็นเหตุให้เนื่นชา้าย่อมหลุดพ้นข้อที่เรากล่าวว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายธรรมนี้ของบุคคลผู้ชอบใจในธรรมะที่ไม่เป็นเหตุให้เนื่นชา้าผู้ยินดีในธรรมะที่ไม่เป็นเหตุให้เนื่นชา้ามิใช่ของบุคคลผู้ชอบใจในธรรมะที่เป็นเหตุให้เนื่นชา้าผู้ยินดีในธรรมะที่ เป็นเหตุให้เนื่นช้าดังนี้เราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้วใจเขาดิ่งไปในธรรมะอันเป็นที่สิ้นปลายแห่งกิเลสครั้งนั้นแหลท่านพระอนุรุท ธ, ธะอยู่จำพรรษาที่วิหารปาจีนวังสะทายวันแคว้นเจดีนครนั้นนั่นแหละต่อไปอีกครั้งนั้นท่านพระอนุรุทธะลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวอันนี้กายวิเวกใช่ไหมไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยว ไม่นานนะักก็กระทำที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบนรรปชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เขาบอกว่าถ้าพิสูจทุกรูปเนี่ยนะถ้าถ้าตามหลักเขาบอกว่าชื่อว่าเป็นผู้บวชแล้วต้องการอารหัตผลเหมือนกันหมดเหมืองกันเถอะอันนี้ให้ตามหลักของคาสอนนะว่าทุกท่านที่บวชถือว่ายินดีใน พนิยอารหัตตะมักอารหัตตะนเหมือนกันหมดเหมือนกันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วแต่ว่าชาติสิ้นแล้วนี่ชาติไหนสิ้นแล้วชาติอดีตใช่ไหมสิ้นแล้วชาติอดีตสิ้นแล้วใช่ไหมรู้ว่าชาติสิ้นแล้วชาติอดีตสิ้นแล้วอ้าหมดไปแล้วอ่ะชาติอดีตเอาไปทําอะไรอีกชาติอนาคตเอ้เราก็ยังไม่ทันได้เกิดใหม่ชาตินาคตสิ้นหรือยังหรือชาติัจจุบันสิ้นแล้ว เอาถ้าชาติปัจจุบันสิ้นแล้วเอาถ้าชาติปัจจุบันสิ้นเอองั้นก็ต้องตายสิบรรลุแล้วก็ต้องรีบตายเลยหรือว่าชาติหน้าสิ้นแล้วเอาชาติหน้าก็ยังไม่ทันเกิดเอาแล้วชาติสิ้นได้ยังไ ง, องเอางี้นะกิเลสใ ด, ดที่เป็นเหตุให้เกิดในภพต่างๆเนี่ยกิเลสอันนั้นเนี่ยหมดสิ้นแล้วนะเขาเรียกว่าถ้าเป็นเมล็ดมะ ม, ม่วงก็เอามาคั่วจนสุกแล้วเนี่ยปลูกไม่ขึ้นแล้วว่างั้นเถอะนะทํา เขาบอกว่ากิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีก็คือสําเร็จกิจ16ในอริยสัจเรียบร้อยแล้วก็ท่านพระอนุรุท ธ, ธาได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในจํานวนพระอรหันต์ทั้งหลายลําดับนั้นท่านพระอนุรุท ธ, ธาบรรลุอรหัตแล้วได้กล่าวคาถานี้ในเวลานั้นว่าพระศาสดาผู้เป็นเยี่ยมในโลกทรงทราบความดํำริของเราแล้วได้เข้ามาหาเราด้วยริษทางพระกายอันสําเร็จแต่พระหฤทยัย คือพระ อ, องค์นี้เห็นผ่านรุทธากำลังคิดมหาพฤกษ์สวิตตกใช่ัหมหายตัวไปปรากฏเลยพระ อ, องค์ได้แสดงธรรมอันยิ่งกว่าความดําริของเราที่ดําริไว้ท่านดําริแค่เจ็ข้อใช่ไหมพระ อ, องค์ไปเพิ่มให้อีกข้อหนึ่งแ้กันพระพุทธเจ้าผู้ยินดีแล้วในธรรมะอันไม่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าได้ทรงแสดงธรรมะซึ่งเป็นธรรมะอันเป็นเหตุให้เนิ่นช้าเนี่ยนะ เราได้รู้ทั่วถึงธรรมะของพระองค์แล้วยินดีในศาสนาอยู่เราได้บรรลุวิชาสามแล้วโดยลำดับคำสอนของพระพุทธเจ้าเรากระทำแล้วท่านเป็นพระอรหันต์แล้วเพราะท่านบรรลุอริยมรรคอริยผลนี้นี่ก็คือหนึ่งในสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยนะเวลาไหว้พระสงฆ์นึกถึงพระอรุธทธาก็ได้เออท่านปฏิบัติอย่างนี้นะเนี่ยก็ได้นะ เลยวเวลาไปไหนมัน